บทที่62คืนนั้นผ่านไปอย่างสงบราบคาบไม่มีเหตุเพศภัยหรือสิ่งใดกระโตกกระตาเข้ามาแผ้วพานเลยสำหรับคณะของเชิฐาที่ขึ้นมายืนนอนอยู่บนหน้าผาตะเคียนทองอันเนื่องมาจากรีบเข้าหลับนอนเอาแรงไว้ก่อนแต่หัวค่ำและหลับรวดเดียวตลอดโดยไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยทั้งเชิฐาและชัยยันจึงตื่นก่อนอนุชาดารินแนนานอิน ทั้งสองช่วยกันลุกขึ้นมาต้มกาแฟสมเร็์รูปสนทนากันเบาๆรอให้หมอกจางลงเสียก่อนขณะนั้นศู3ย์ห้าจุดสามศูนย์หนออนุชาคงจะแว่วเสียงคุยกันพึมพำนั้นจึงรู้สึกตัวและลุกขึ้นมาร่วมด้วยโดยปล่อยให้น้องสาวนอนหลับต่อไปเนื่องจากรู้ว่าเมื่อคืนที่แล้วกว่านนอนหลอนจะหลับได้ก็ดึกมากแล้ว แล้วอดีตรานชดก็เล่าให้พี่ชายและเพื่อนชายใหญ่เล่าให้พี่ชายและเพื่อนชายฟังจาาเรื่องโดยตลอดทั้งหมดของเมื่อคืนระหว่างเขากับน้องสาวคนเล็กในขณะที่เชษฐาและชายยันหลับทั้งสองฟังแล้วก็มีอาการประหลาดชะงงอยู่ในใจครามครันน้อยมียานสังหอหรืออะไรแปลกๆอยู่เสมอนะพี่ชายใหญ่กราออกมาเบ า, เบา คนกำลังฟุ้งซ่านขีดสุดฉันลราเป็นห่วงจริงๆกลัวน้อยจะฟั่นเฟือนเลอะเทอะไปเสียก่อนระหว่างที่เราออกเดินทางติดตามระพินนี่ชา ย, ยันบนเบาๆแปลว่าแกไม่เชื่อในสิ่งที่น้อยเล่าให้กลางฟังหรืออดีตท่านทูตทหารบกพี่ใหญ่ของคณะถามชา ย, ยันถอนใจเฮือกฉันว่าน้อยนั่งสะกดจิตตัวเองแล้วมองเห็นภาพหรือสร้างภาพไปเองมากกว่า จะอย่างไรก็ตามเรามีข้อพิสูจน์ได้เดี๋ยวถ้าเขาตื่นขึ้นมาก็ลองให้เขานำทางไปยังตำแหน่งเหวที่อ้างว่าพรพินตกลงไปสลบอยู่ถ้าคนพบที่นั่นจริงๆก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องหมดตามคำบอกเล่าของเขาที่บอกกับกลางไว้เมื่อคืนนี้น้อยหลับไปเมื่อไหร่พอรู้ไหมเชษฐาถามอนุชาแล้วเหลือบมองไปยังร่างอนอนขดตัวคูอยู่ ของน้องสาวอย่างสมเพศคงจะดึกมากครับเพราะรำพังผมเองกว่าจะหลับไปได้ก็เข้าไปตั้งเกือบห้าทุ่มแล้วน้อยหลับไปที่หลังผมแน่ๆเราว่างที่น้อยนั่งสมาธิอยู่แกไม่ได้หลับหรอกลึกชา ย, ยัานถามมาอีกฉันเห็นท้าผิดปกติก็เลยทำเป็นหลับแต่คอยสังเกตดูยอยู่ตลอดเวลาน้อยนั่งอยู่นานทีเดียวร่วมชั่วโมงมีลงอินนั่งกับ กำกับหลังอยู่ด้วยก็เลยคิดอุดใจได้ว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นความจริงตอนที่เขากลับมานอนลืมตาค้างอยู่นั้นคงไม่ต้องการจะบอกเล่าอะไรกับฉันหรอกแต่ฉันถามขึ้นเขาจึงรู้ว่าตลอดเวลาที่เขาออกไปนั่งอยู่ใกล้ๆปากโพรงถ้าฉันจับตาดูเขาอยู่ตลอดเวลาจึงบอกให้ฟังว่าเขาเห็นอะไรอย่างไรบ้างถ้ามหาฤาษีโกนธัญญะมาโปรดเขาจริงๆตามที่เขาเล่าให้เธอฟัง ก็คงจะมีเขาแน่พวกเราทุกคนก็รู้จักกับความศักติ์ิอภินิหารของพระโอรหันต์องค์นี้ดีกันอยู่แล้ว <c oughs> เช็ดขากล่าวขึ้นอย่างคล้ครวนหนึ่งแล้วดารินก็ตื่นขึ้นเมื่อศ0 0 0 0หนอแสงอรุณเริ่มสาดสว่างผ่านลอองหมอกเข้ามาภายหลังจากใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำร้อน ที่พวกพี่พต้มไว้ก่อนแล้วรูปเช็ดหน้าขจัดความง่วงเงียออกไปวรนก็เข้ามาร่วมวงด้วยทุกคนมองจับตามาเป็นตาเดียวพี่ชายใหญ่ส่งกาแฟไปให้วอนประคองขึ้นจิตแจม่มใสแช่มชื่นมีกำลังกายและใจพอที่จะบุกต่อไปได้ชา ย, ยันถามขึ้นเบาๆกำลังกายและกำลังใจที่จะบุกนะต่อให้สุดล่าฟ้าเขียวก็ไหว แต่ถ้าจะให้แจม่มใสเช่มชื่นบอกตามตรงเอาอะไรที่ไหนมาแช่มชื่นได้หล่อนตอเป็นประโยคแรกแต่แผวตำน้อยพี่ชายใหญ่ของคณะเอ่ยขึ้นเอื้อมือมาลูบหลังอย่างปราณีพี่กับชายยันรู้เรื่องหมดแล้วละ่ะที่น้อยเล่าอะไรให้พี่กางเขาฟังเมื่อคืนน้อยเหลวไหลบ้าเพอ้อไปมากไหมคะหล่อนย้อนถามเรียบ ประเดี๋ยวเราจะพิสูจน์กันดูรอให้หมอกจางลงกว่านี้อีกนิดว่าว่าแต่น้อยนะแน่ใจนะว่าจะพาไปพบเหวที่น้อยมองเห็นในนิมิตว่ระพินล่นลงไปแน่ใจที่สุดค่ะและทำไมพบมันก็แปลว่าภาพที่น้อยเห็นทั้งหมดตามที่เล่าให้พี่กลางฟังไปแล้วล้วนเป็นภาพหลอนหาความจริงอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าพบ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นความจริงทั้งหมดเหมือนกันอนุชาตะโกนบอกนานอินซึ่งตนูนขึ้นมาในเวลาไล่เรียกกับดารินให้แกออกไปปลุกบรรดาพวกลูกหาบทั้งหลายสั่งให้กินอาหารและเตรียมตัวทันทีให้เวลาอีกยี่สิบนาทีเราทั้งหมดจะเคลื่อนย้ายลงจากที่นี่แล้วไปจากหุบผาตะเคียนทองแล้วเขากำชับสั่งไปนานอินรับคา ลับป่าโครงถ้ำแคบๆเดินไต่ล้อไปสำรวจดูพวกลูกห่าที่แยกย้ายกันนอนอยู่ตามช่องใกล้ๆชั่วไม่นา น, น, น, น, นทั้ง16บคนของคณะทั้งหมดก็พร้อมสำภาระโดยพวกลูกห่าค่อยๆทยอ ย, ย, อยเคลื่อนลงไปก่อนอย่างละมัดระวังภายใต้การควบคุมดูแลและจังการของหนานอิน และขยินสองพี่น้องชาอีกหนึ่งบัดนี้พากันออกมายืนสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าอยู่ยังบริเวณปากโรงถ้ำกวาดตามองลงไปยังทิวทัศน์เบื้องล่างอันพอจะมองเห็นอะไรได้ชัดเจนพอสมควรเพราะหมอกจางลงมากแล้วกลิ่นไอซากเน่าของพวกช้างตายจำนวนมากไม่ได้โชยขึ้นมายังบริเวณหน้าผาตาแหน่งนี้เลยเพราะเขา อยู่ในระดับเหนือลมดารินชี้มือไปอยังริมฝั่งธารอันเต็มไปด้วยย อ, ด, ยยอดของป่าเขียวครึม้มนู้นคะ่ะไปทางเนินฟาโน้น้นต้องข้ามลำธารไปเสียก่อนผ่านป่าเถาวันไม่ไกลนะก็จะพบ ก, กับเนินเตี้ยๆค่อนข้างโลง่งเขียวควรจะอยู่บนเนินนั่นแหละฟังดูมั่นใจเหลือเกินนะ ชายันเอ่ยขึ้นเลยลอยทอดสายตาเม่นมองตามก็ฉันพบเห็นเห็นจากในนี้ราชสกุลสาวบอกขณะที่เคาะไปที่ศีรษะของตนเองเอา้าถ้างั้นเคลื่อนที่ได้มันคงไม่เสียเวลามากนักรอกไปดูกันให้รู้แจ้งเห็นจริงเลยพี่ชายใหญ่บอกและโบกมือทั้งสี่คนเริ่มตายลงทันทีโดยการนำของอนุชา ซึ่งคอยร้องเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าให้ทุกคนระมัดระวังในการเกาะตตยแง่หินเลือกเอาตำแหน่งที่มั่นคงที่สุดเพราะหินแต่ละก้อนอยังเปียกชุ่มไปด้วยน้ำค้างและลื่นประกอบกับฐานที่สูงชันส่วนนารอินกับขยินก็ส่งเสียงตะโกนโวกเวกคอยบงการลูกหาให้เคลื่อนตามลงไปตามลำดับจนล่วงหน้าไปก่อนแล้ว พอใกล้จะลงถึงตีนเนินกลิ่นซากเน่าก็ช่วยตลบมาลบกวนนาศิษประสาทของทุกคนอีกแม้จะแทบทนไม่ไหวเพราะจำนวนมันมากเหลือเกินทุกคนก็จำใจต้องทนอนุชาตะโกนสั่งทยินให้พวกลูกหาบทุกคนไม่ต้องดีรออยู่บริเวณนั้นให้เสียเวลาแต่ห้นุ่งตรงไปยังชายฝั่งของลำธารทันที คงมีแต่นานอินเท่านั้นที่จะเข้ามารวมกลุ่มอยู่กับคณะเจ้านายด้วยประกายแดดยามเช้าเริ่มจะแทงลอดแนวหมอกเป็นลำลงมาส่องเห็นอนาบริเวณชัดเจนกระจางตายิ่งขึ้นทุกคนในกลุ่มของเชิดถากวราวตาไปรอบๆจะมองไปทางไหนก็ช้างช้างและช้างทั้งนั้นทุกตัวขึ้นอืดถืดแล่นเปื่อยเฟะน้ำเหลืองนองเจิงไปหมดแลเห็นได้ถนัดว่า เมื่อตอนใกล้ค่ำที่รีบรุดกันผ่านเข้ามาร่องรอยของการตั้งแคมป์อยู่ตรงตรีนเชิงผายังพอจะสังเกตเห็นได้แม้ว่าตลอดทั้งบริเวณจะมีแต่ซากช้างล้มตายเกื่อนไปหมดก็ตามรอยการก่อไฟใหญ่ล้านย่างเนื้อที่ถล่มทลายและเส้นไหวายที่้อยเนื้อช้างลักษณะขึงเป็นลาวไว้ แต่บัดนี้ถูกกระชากขาดลงมาะเนลนาดยุ่งเหยิงไปกับพื้นและยังทิ้งให้เห็นพอ่อชายเป็นข้อสันนิษฐานได้โดยชีย้บอกกาการเวลาที่แตกต่างกันออกไปในบริเวณที่คณะของรพิน ร, พ, รพินมหยุดตั้งอยู่บริเวณนี้เป็นการสำรวจดูกันเคร่าและพยายามเดินหลีกเลี่ยงกองน้ำเหลืองเหล่านั้นโดยพยายามไม่อ้าปากพูดคาใดกันเลย นอกจากชี้วิสกิดกันให้ดูในสิ่งที่ต่างคนต่างจะเห็นในแง่มุมไหนจากนั้นก็รีบตรงไปยังตำแหน่งที่ขยินคุ้มพวกลูกหาปลอคอยอยู่อันมีแท่นหินขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาจากใต้ดินที่นี่กลิ่นเน่าทุราวลวงบ้างและดารินจ้องสังเกตไปยังแท่นหินใหญ่ก้อนนั้นแล้วกว่าตาดูต่าไปยังพุ่มพงกับทางด่านที่จะนาไปสู่ลาธารแล้ว บอกเสียงหนักหนักว่าคืนนั้นลาพินนอนบักอยู่ตรงนี้แหละใช่แล้วตรงนี้แน่ๆตอนที่ไอ้ผีร้ายแอบเข้ามาหมายเล่นงานเขาเาชษฐาชยันอนุชาและนานอินก้มลงสำรวจแต่ก็ไม่ได้ร่องรอยอะไรตืจนที่พอใจนะนานอินผู้ยังไม่เข้าใจอะไรมาก่อนถามว่าทําไมนายหญิงถึงว่านายลาพินมนอนอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่ที่ปราบ ไม่ใช่ที่ปางพักของพวกนั้นเลยนี่หลอนไม่ตอบแต่เม่นมองไปยังโขดหินก้อนนั้นเหมือนจะทบทวนความจํารานช ด, าา ด, ดก็ตัดบทบคุลของเขาโดยยังประสงค์ที่จะโดยยังไม่ประสงค์จะให้ซักใจอะไรกันมากกว่าประเดี๋ยวนายหญิงจะแกะรอยอะไรสักอย่างหนึ่งลุงอินกับพวกเราทำหน้าที่ตามเขาก็แล้วกันอ้าว น้อยนำทางได้แล้วดารินกัดเลนฟิปากนิดหนึ่งหลีตาลงหลอนหมุนตัวไปรอบๆแล้วก็หันมาหยุดทางด้านซ้ายมืออันเป็นพงเถ า, าวันทึบดูสลับซับซ้อนไปด้วยเนินปลวกและก้อนหินล้วนเป็นที่กำบังตาทั้งสิ้นแล้วก้าวออกมาเดินทันทีอนุชาหันไปโบกมือให้ทุกคน แล้วทั้งคณะก็ออกเดินตามหลังหล่อนซึ่งนำไปยังไปยังแคล้วคล่องราวกับเคยผ่านทางมาก่อนฉะนั้นผนทางนั้นมันเป็นไปได้วยแง่มุมมีที่บังตาไม่สามารถจะมองเห็นภูมิประเทศเบื้องหน้าไปได้ไกลนะนอกจากจะเลี้ยวละไปเรื่อยๆตามโขดหินและพงไม้ แหลนจับเขาวันที่ห้อยขวางอยู่อันหนึ่งพิสูจนดูอยู่แวบเดียวก็ออกเดินต่อเมื่ออนุชาซึ่งตามหลังมาเป็นคนที่สองมาถึงตำแหน่งนั้น <c oughs> เขาก็ลอยแลเห็นรอยมีดจับฟันเขาวันเส้นนั้นไว้เป็นรอยแหวว <c oughs> ว่าไม่ถึงกับขาดเอ๊เข้าเขาแฮะเขาลำพึงพามออกมาเบาๆ เชษฐาชัยยันตามมาเห็นเกือบจะพร้อมๆกันต่างมองสบตาแล้วก็ออกกระชออกกระชัน้นชิดติดหลังดารินต่อไปขยินและพวกลูกหาแบบของตามมาทั้งขบวนพอพี่ชายและเพื่อนเร่งฝีเท้ามาทันชนิดเอื้อมมือถึงดารินก็บอกโดยไม่ได้หันหลังกลับมาว่ามันล่อให้เขาตามมาทางนี้แหละค่ะและเขอให้สังเกตด้วยว่ามันเต็มไปด้วยโขดหินซุ้มไม้บงัง ทำให้มองเห็นตัวไม่ถนัดรพินไม่สามารถจะยิงได้เลยระวังติดตามมันไปเพราะมองไม่เห็นตัวได้ยินแต่เสียงของมันเท่านั้นอ้าวนี่ยังไงลอยเอามีดเฉาะกิ่งไม้ไว้อีกหลอนชี้ให้ทุกคนดูเบื้องหลังหลอนชี้ให้ทุกคนเบื้องหลังดูมันเป็นความจริงคมมีดชนิดใบมีดหนักและวนาลักษณะควรเป็นมีดแบบโบวี สัไว้ที่ลำต้นของตะเคียนใหญ่อีกต้นหนึ่งที่หล่อนนําเลาะลัดผ่านไประดับลอยลอยมีดสูงขนาดเหนือเอวเล็กน้อยและหนทางนั้นเป็นป่ารกชัดไม่ใช่ทางเดินของสัตว์เลยเป็นการบุก ค, ค้งไปอย่างเห็นชัดอันสอเจตนาได้ว่าใครก็ตามที่เดินบุกเข้ามาในที่รกแบบนี้ก็จะต้องมีจุดหมายอะไรสักอย่างไม่ใช่การเดินไปอย่างธรรมดาแน่ เพราะอย่าว่าแต่คนเลยไม่แต่สัตว์ป่าถ้าไม่จําเป็นมันยังไม่เลือกเดินตัดพงลกๆให้ลําบากนอกจากสัตว์ประเภทเลือ้อครานหรือสตัตว์ร้ายอันจะย่องตามมาเพื่อหมายเล่นงานเหยื่อเท่านั้นพอตัดจะโคกสูงลงสู่ตลิตต่งของลำธารทุกคนก็แววเสียงลั่นโกรเกรกรขึ้นเบาๆยังปาของเนินเขาฟังตรงข้ามดารินชิงนะหลอนจาได้ดีที่สุดและทุกคนก็จาได้ มันควรจะเป็นเสียงกระดึงที่หลอนถูกคอเจ้าด้วนไว้นั่นเองด้วนอยู่ที่ไหนนะ้าหลอนร้องตะโกนแหลมกล้องขึ้นยังยินดีมีเสียงเป่าลมพรูออกจากปลายงวงเสียงกิ่งไม้ละลูกและเสียงกโกรกเกรกจากลำต้องไถ่ที่มีวัตถุแกว่งกระทบภายในทําให้บังเกิดเสียงกลางวานก้องก็งยิ่งดังชัดเจนมากขึ้นและชั่วยุดใจเดียวล่างขอผิดมาของโคตสารใหญ่ อันเปรียบเสมือนช้างเลียงของดารินก็โผล่มาจากป่าฝั่งตรงข้ามกับที่ทุกคนยืนอยู่ชูงวงขึ้นสูงร้องเสียงแแอเหมือนจะร้องตอบรับการเรียกของหล่อนดารินยิ้มออกมาได้อย่างยินดีส่งเสียงทักทายมันลั่นนะเพราเป็นความฉลาดของหล่อนอย่างยิ่งที่ให้นานอินกับ ข, ข, ขยิน ช่วยกันทำกระดึงผูกขอเจ้าด้วนไว้เพื่อจะได้ใช้เสียงจากกระดึงนั้นป้องกันความเข้าใจผิดเพราะในภาวะเช่นนี้รู้ต่อให้การข้างหน้าก็ตามหากไม่มีเสียงเตือนให้รู้ว่าเป็นมันจู่ๆก็โปล่มาให้เห็นแบบนี้มีหวังคณะพักแต่แม้แต่ตัวหล่อนก็อาจเข้าใจผิดและยิงเอาง่ายๆแต่นี้พอได้ยินเสียงกระดึงที่ผคอมันไว้ดังขึ้นก็ทาให้รู้ได้ทันทีเจ้าด้วน โปรออกมายืนเหมือนจะรอรับอยู่แล้วฝั่งยังฝั่งโน้นทุกครั้งที่มันโยกกายไว้อยู่ไปมากระเดิมที่ผูกคอไว้ปรากฏเสียงขึ้นทุกทีไปไอ้ด้วนจริงๆแหละหายไปครึ่งวันกับอีกทั้งคืนโปรออมาแล้วชัยยันอุทานออกมาดารินก้าสวบๆลงไปยังฝั่งฝั่งทานทันทีโบกมือให้พักพวกตามหลังมาพร้อมกับประกาศก้องออกไปว่าด้วน เธอน่าจะรู้ดีว่าเขวที่เจ้านายของตัวถูกไอ้ผีดิบมันไตร ล, ล่อลงไปตกนั้นอยู่ที่ไหนช่วยนำทางไปเดียวนี้ช้างแสนรู้คู่บารมีร้องแวดแล้วหมุนตัวกลับสะชะดารินกระโดดไปตามแก่งแง่โขดหินตามลำธารต้นๆ น, นั้นก่อนแล้ว ท, ทุกคนลุยตามไปในทันทีเหมือนกันจะด้วนหยุดรออยู่จนกระทั่งหล่นลุยน้าบริเวณใกล้กับฝั่งตรงข้ามประมาณลึกแค่เขา เข้าไปถึงฝั่งตรงข้ามมันจึงเริ่มออกเดินนำขึ้นเนินไปอย่างเชื่อมช้าทุกคนอยู่ในภาวะงงๆงงงอดประหลาดใจจะไม่ได้ทั้งๆที่รู้กันมาก่อนแล้วว่าระหว่างช้างป่าที่ระพินเคยให้ความปราณีตัวนี้กับราชสกุลสามีสัญชาตญาณอย่างซึ่งเขาถึงกิตใจซึ่งกันและกันได้อย่างสนิทแน่นแต่ยามที่หล่อนกาลังต้องการแสวงหาร่องรอยเพิ่มเติมจากเขาผู้นั้นเช่นนี้ เราสามารถบงการและทําความเข้าใจกับมันได้อย่างไรเป็นสิ่งลึกลับเหนือเดาน้อยนั่นจะตามเจ้าด้วนไปหรือไหนว่าจะนําทางไปเองไงละ่ะระวังมันจะพาตะเตลิดเปิดเปลืงออกนอกลู่นอกทางไปด้านอื่นเจนนะชา ย, ยันตะโกนไล่หลังมาไม่มีวันที่มันจะพาตะเตลิดไปไหนด้วนรู้ดีว่าควรจะนําไปที่ไหนทุกคนตามมาเร็วๆเถอะ ระวังร้องตอบมากระชับไหล่เฟินในซอกแขนและสาวเท้ายาวๆตามหลังเจ้าด้วนก็ยังไม่สนใจที่จะเหลี้ยวกลับมาดูหลังอีกทุกคนจำใจต้องตามหลอนไปทั้งหมดโดยหลีกเลี่ยงหรือยับยั้งยังไรไม่ได้ชั่วครู่เดียวของการนำเลาะลัดไปตามสุมทุ่มพุ่มไม้รกและเริ่มไต่สูงขึ้นไปตามลำดับบนภูมิประเทศอันมีลักษณะเหมือนหลังเต่านั้น ป่าก็เริ่มโปร่งขึ้นทีละน้อยมีใบไม้ใหญ่ยืนต้นเรียงรายอยู่ห่างๆกันและพื้นเกลื่อนไปด้วยใบไม้แห้งที่หล่นลงมาทับถมกันอยู่ช้างใหญ่ดุมเดินขึ้นไปยังเนินลูกนั้นดารินตาเป็นประกายเมื่อมองเห็นภูมิประเทศได้ชัดกับตาหล่นกระชากกิ่งไม้แห้งๆเล็กๆติดมือมากัดไว้ด้วยฟันหน้าทั้งสอง ตามติดเจ้าด้วนไปรากับพรานอาชีพบัตรนี้พระรกำลังและความคล่องแคล่วฉับไวได้กลับคืนมาเป็นของหล่อนละทิ้งระยะพักพวกเบื้องหลังอันเป็นพี่ชายและเพื่อนทางออกไปราวสิบห้าหลาอนุชาชายัยยันและเชษฐาไม่มีใครประมาททุกคนโปรดไร้เฟื่อนออจากการสะพายขึ้นมาถือในลักษณะเตรียมพร้อมและเป็นการตามหลังระแวดระวังภัยใดๆที่ตา ก็ตามที่มันจะอาจูโจงเข้ามาถึงดารินได้ในแบบที่อาจคาดฝันไม่ถึงอันเนื่องมาจากทุกคนคุ้นภัยดีอยู่แล้วญาบัดนันเองั้างใหญ่ก็มาหยุดยืนหมุนตัวและส่งเสียงร้องยาวดังก้องขึ้นอีกครั้งเมื่อมาถึงระดับกึ่งกลางเนยในระหว่างต้นไม้ใหญ่คู่หนึ่งดารินเร่งฝีเท้าไตาตามขึ้นไปถึงแล้วหยุดยืนนิ่งอยู่ยังบริเวณนะลักษณะของหล่อนก้มลงมองลงไปยังพื้นเบื้องล่าง ซึ่งพักพวกทุกคนยังไม่สามารถเห็นได้ว่าหล่อนมองอะไรว่ายังไงน้อยอนุชาตะโกนถามมาหลอนไม่ตอบหันหน้ากลับลงมามองพักพวกแล้วก็มองลงดูพื้นดินตามเดิมเจ้าด้วนก็ยืนสงบนิ่งอยู่ข้างๆหลอนตรงนั้นเองอนุชาสั่งให้พวกลูกหาปรงของไว้ที่ตีเนินก่อนเพราะระยะทางมันโลง่งมองกันเห็นได้อย่างถนัดไม่มีอะไรกำบงังบางส่วนหยุดรอเฝ้าของ บางส่วนก็ถือเฉพาะปืนประจำตัววิ่งตามพรรคพวกเจ้าหน่ายขึ้นมาเป็นพรวนอนุชาเชิดท้าและชายยันวิ่งขึ้นมาถึงตำแหน่งที่ดารินหยุดยืนอยู่นั้นก่อนเป็นชุดแรกสิ่งที่ปรากฏชัดกับสายตาทาให้ตา อ, อุธาเรามาเป็นเสียงเดียวและชัะนงักนิ่งงี น, นชั่วขณะมันเป็นปล่องเหว ที่เหมือนจะมีใครเจาะให้ทะลุลงไปในพื้นของเนินเทราดประมาณยี่สิห้าองศานั้นขนาดปากเหวกว้างราวสามสี่ตารางเมตรรูปร่างเบี่ยวเมื่อจะงกหน้าดูทั้งหมดก็ใจหายวูบเพราะลิ้วลงไปสู่ความดำมืดและดูเหมือนจะไม่ใช่แนวตรงหากแต่เป็นแง่เป็นมุมชอนลึกลงไปจนสุดที่จะคำนวณได้ว่ามันลึกสักเท่าใด รอบๆขอบผิวระดับที่ต่ำลงไประเกะระกาไปด้วยแง่หินและรากไม้ที่โผรพราวไปหมดชัดหรื อ, อย่างคราวนี้ในสิ่งที่น้อยได้มองเห็นตามภาพมิมมิมิเมื่อคืนอย่างที่บอกกับพี่กลางไปแล้ว หล่อนทูดขึ้มขึมเรียบเรียบเมื่อทุกคนจ้องตะลึงและเงียบงันอยู่ก็ควักบุหรี่ออกมาจุดอัดควันอย่างหนักหน่วงเยือกเย็นบุ้ยปากไปยังกองกิ่งไม้ใบแห้งจำนวนหนึ่งซึ่งมีลอยลากออกไปวางสุมไว้ไม่ห่างจากบริเวณปากเหวเท่าใดนะและนั่นคือกิ่งไม้ใบไม้ที่นำมาสะอําพรางไว้ที่ปากเหวเพื่อไม่ให้มองเห็นและจะได้เหยียบล่นลงไปการที่กิ่งไม้พวกนะั้น ถูกถูกลื้อออกไปกองไว้ที่นั่นก็เพราะพวกพรานพื้นเมืองของราพินและนายจ้างอเมริกันตามมาพบเข้าเคลียบริเวณออกไปเพื่อจะได้ไตเชือกลงไปเอาตัวระพินขึ้นมาได้อย่างสะดวกหนานอินและขยินกับลูกหา บ, บางส่วนตามมาถึงก็พูดอะไรกันแทบไปหมดแต่ยังไม่เข้าใจรหัสอะไรนะอนุชาเชษฐาและชัยยันเดินตรวจไปรอบๆ แล้วโดยไม่ได้เอ่ยคำใดขึ้นเลยอนุชาค้นพบก้นบุหรี่กับก้นซิก้าถูกทิ้งเกลื่อนอยู่หลายมวลเขาหยิบขึ้นมาพิจารณาและส่งไปทั้งเชษฐาและชา ย, ยันดูทั้งสองเม้มริมฝีปากจะคิดยังไงกลางชา ย, ยันถามเสียงเหินเหือดในลำคอสิ่งที่น้อยรู้เห็นจากการนั่งสมาธิเมื่อคืนนี้เั็นจะเป็นความจริงใชแล้ว ระพินถูกไอ้ผีนรกนั่นรอให้เดินตกลงไปในปร่องเหวนี่แน่แน่เหตุการณ์ที่เขาเดินมาตกเหวสลบไปโดยอ่ะติดคาอยู่กับรากไม้หรือเถาวันข้างล่างโน่นเป็นเวลากลางคืนแล้วพวกลูกน้องกับนายจ้างติดตามมาพบเอาในเวลาเช้าของวันรุ่งขึ้นและสำหรับระพินลนลงไปในปร่องเหวนี่ถ้าไม่ตายก็นะับว่าบุญโกแล้วคางเหลืองแน่อีแบบนี้ เหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้นในลักษณะไหนนะน้อยพออธิบายได้ไหมเอาละ่ะเราพบกับเผวที่สันนิษฐานว่าจะพินหล่นลงไปแล้วดารินป้ายแขนเตื้อเช็ดเหงื่อที่ผุดซึมหน้าผาและชี้มือไปที่โคนไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูงขึ้นไปราสิบห้าหลาไอ้นันลกนั่นแอบกำบังเพื่อไม่ยอมเข้าทางปืนของรพินอยู่หลังโคนไม้ใหญ่นั่น ภายหลังจากที่มันล่อเข้ามายังจุดที่มันวางกับดักไว้แล้วหลอนพูดอย่างหนักแน่นมั่นคงและเป็นการอธิบายที่ละเอียดราวกับมองเห็นเหตุการณ์ตอนนั้นด้วยสายตาทั้งสองด้วยสายตาทั้งสองข้างของตนเองมันหหนเราะเยาะยั่วเขาประพินไตขึ้นมาคุมเชิงอยู่บริเวณใกล้เคยยียงนี้แหละเขามองเห็นแล้วว่ามันเป็นภูมิประเทศค่อนข้างโลง่งไอ้ผีนั่นจะเผา อ, อจากโคนไม้ไม่ได้ เพราะถ้าพระออกมามันก็จะต้องเขาก็จะต้องส่องไฟเห็นและเข้าทางปืนทันทีวิธีเดียวที่เขาจะทำได้ก็คือหาทางเดินล้ออ้อมเพื่อให้เห็นตัวมันซึ่งบังอยู่หลังต้นไม้ต้นนั้นหล่อนหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งฝืนยิ้มกร้านเกรียมตาลุกวาวเป็นประกายคมกราบบัดนี้สภาพของหล่อนรากับผู้ชายคนหนึ่งมุมที่เขายืนกับมุมที่มันหลบอยู่หลังต้นไม้ มันเป็นมุมตรงที่มองเห็นกันไม่ถนัดประพินเริ่มเกรอ้อมเพื่อเบี่ยงคิศทางหวังจะได้เห็นมันอย่างถนัดและจะได้ยิงการเดินอ้อมหามุมยิงของเขานี่แหละทำให้เขาเดินมายัางตากเขวที่มันสะกิงไม้อําพรางไว้แล้วก็ล่วงลงไปถูกเก็บกักสลบยู่ในเขวนี้แล้วมันก็ยกกองทับช้างหวนตลบเข้าไปเล่นงานทุกคนในแคมป์ที่หน้าผาตะเคียนทองจนเกิดการประทะ ก, กันขนานใหญ่ ผลที่สุดพวกนั้นก็ต้องถอยหนีขึ้นไปบนหน้าผาแคมป์ถูกเหยียบแหลกหมดเท่าๆกับที่พวกมันถูกยิงล้มตายเป็นเบื่ออย่างที่เราเห็นพอรุ่งเช้านั่นแหละพวกนั้นถึงลงจากหน้าผาออกมาติดตามมาพบในบุญคำเป็นคนนำแกะลอยมาก้นบุรีกับซิก้าเหล่านั้นเป็นการแสดงบอกชัดครับว่าพวกนายจ้างอเมริกันทั้งหมดมาชุมนุมกันอยู่ตรงนี้ ระหว่างการพยายามกู้ชีวิตและพินขึ้นมาจากปากป่องเหวอนุชาเอ่ยขึ้นเป็นประโยคแรกแถวต่ชาชัยยันหันไปพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างป่องเหวกับต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นอย่างใคร่ครวญแล้วเพนออกไปยืนอยู่ในตำแหน่งหนึ่งทันทีโดยหันหน้าตรงกับต้นไม้ดังกล่าวจากนั้นเขาก็ทดลองเดินลอ้ อ, อมเพื่อจะหามุมมองไปยังด้านหลังของต้นไม้ดังกล่าว ซึ่งมาเดินอ้อมไปรัศมีเกือครึ่งวงกลมก็จะมาถึงจุดปากเขวพอดีอดีตในทหารปืนใหญ่เอามือขยี้หลังขยี้ปลายจมูกเือชัดแจ๋วเลยตามสมมุติฐานข้อนี้แต่พินจะต้องเดินเลี่ยงอ้อมต้นไม้นั่นเพื่อหามุมยิงให้ถนัดอย่างที่ฉันทดลองเดินให้ดูนี่แหละนานอินกับขยินทำหน้าเลิกละเพราะเท่าเท่าแล้วเท่ารอด ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรโดยเฉพาะนานอินหันประกซิบถามนุชย์อดีตพรานชดอธิบายให้ฟังคร่าวๆแต่ก็ลืมตากว้างล้อออกมานี่แปลว่าเมื่อคืนนี้นายหญิงนั่งแล้วเห็นอะไรหมดต่วนนานอินนั่นนั่งเห็นเพียงแค่นางไม้ตัวลูกสาวเจ้าป่าที่ชื่ออรัญญาณีมายืนกอดอกค้าหัวอยู่เท่านั้นถามอะไรก็ไม่ยอมพูดด้วยแต่กลับเป็นฝ่ายบอกนายหญิงได้ทั้งหมดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่นยายหญิงไม่ยักบอกอะไรให้หนานอินรู้มั่งมาเลยเมื่อคืนฉันไม่กล้าเล่าอะไรให้ลุงฟังหรอกเพราะก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอให้มาเห็นเหวนี่เจก่อนถึงจะแน่ใจได้ว่าสิ่งที่เทวนารีองนั้นนำดวงจิตของฉันให้ได้มาเห็นกับเหตุการณ์ต่างๆเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะฉันคิดวาดภาพไปเอง หล่อนบอกเป ร, รียบแล้หันไปถามพี่ชายใหญ่ว่าคราวนี้พอจะรับฟังได้แล้วอย่างค่ะพี่ใหญ่เชศดาเอามือลูบคางพิจารณาไปรอบๆแล้วเหลือบลงไปในบ่อเหวหาก้นไม่ได้นั้นพรางถามไปทางอนุชากลางตรวจสอบดูให้แน่ชัดี่ว่าอเมริกันกลุ่มนั้นมาชุมนุมกันอยู่ตรงนี้จริงหรือไม่แน่นอนครับ พวกนั้นมารวมตัวกันอยู่ที่นี่อย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงสังเกตจะรอยของการสูบบุหรี่ทิ้งกันไว้เกลื่อนกลัวถ้าจะดูดลงไปตามกลัวว่าถ้าจะดูดลงไปตามรอบเหวที่ต่ำลงไปนั้นก็จะเห็นวีเวลของการโรยตัวไต่ตามสายเชือกลงไปเพราะมีรอยเหยียบแง่หินลากไม้รอยครูดผมเข้าใจว่าล่างของละพิน จะต้องตกลงไปติดอยู่กับรากไม้และเถาวันตรงนั้นอ น, นุชาเอาไปใช้ประจำโทรส่องลงไปดูซึ่งมันลึกจากระดับปากเขีวลงไปราวสิบห้าหลาแล้วก่อนจะลงไปติดค้างอยู่ตรงนั้นร่าง ก, กายของเขาจะต้องกระทบวาดลงไปกับแง่หินตามขอบเขวทีนี้ก็อักเลือดทีเดียว น้อยเล่าว่าในภาพที่มองเห็นนั้นใครที่ลงไปเอาระพินขึ้นมาชายันถามขึ้นอีกโดยเร็วไลสกุลสาวชี้มือไปอยังต้นไม้ไดๆอีกต้นหนึ่งยืนอยู่ไม่ห่างปากเหวเท่าใดนะักคริสติน่าโผกสายเชือกประจำตัวติดกับโคนต้นไม้ติดเอวตัวเองแล้วโรยตัวลงไปที่เหวนี่อาจเป็นเพราะไตเหวได้คล่องกว่าคนอื่นและตัวเบากว่าคนอื่น มีบุญคำไต่ตามลงไปด้วยอีกคนหนึ่งฉันก็แทบไม่เชื่อเหมือนกันว่าผู้หญิงผมทองคนนั้นจะเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญที่สุดในการลงไปช่วยกู้ชีวิตรพินครั้งนี้ทั้งๆ ท, ที่เกิดดรือเสยก็มาด้วยอาจเป็นได้ที่หล่อนไม่ไว้ใจใครจะทำได้ดีไปกว่าตัวเองในสถานการณ์ขับขันเช่นนั้นถ้างั้น QED ในภาพนิมิตของน้อยได้แล้วไม่มีปัญหาให้ต้องสงสัยอีกต่อไปความจริงมันก็ต้องเป็นเช่นนั้นแหละจากหลักฐานแวดแล้อมอื่นๆที่เราพบมาแล้วซึ่งมันไม่มาประสานรอยกันเข้าพอด้พอดีพี่ชายกลางกล่าวหนักแน่นพี่ชายใหญ่กล่าวหนักแน่นโอบแขนประคองน้องสาวไว้แล้วตบแรงๆที่ไหลจะถึงจะเคราะห์ร้ายอย่างไรพวกนั้นก็ยังช่วยราินไม่ได้แปลว่าตรงตำแหน่งที่เกิดเหตุร้าย หน้าผาตะเคียนทองนี่กระพินของน้อยยังไม่ถึงกับยังไม่ถึงกับชีวิตแม้จะอยู่ในสภาพที่สบักสบอมก็ตามกระพินกัดดิมฝีปากนิ่งในตาแห้งผาใครกำลังคิดเช่นไรก็ตามทีขณะนี้หลอนคิดขอบคุณอเมริกันสาวผมทองที่มีนามว่าคริสตินากรูบิลที่ตายเหลวลงไปเอาตัวยอดรักของหลอนขึ้นมา และเป็นผู้เยียวยารักษาพยาบาลดูแลเขาตลอดทั้งคืนบนหน้าผาที่ร่อนถ้าไปอาศัยนอนอยู่เมื่อคืนรวมทั้งหวนคิดไปถึงข้อความร้อยกรองที่แม่นักเคมีฟิสิกผู้นั้นแอบเขียนไว้บนแผ่นหลังเก้งที่อาศัยรองนอนด้วยด้วยจิตใจอันสูงส่งด้วยวิจารณญาณอันละเอียดอ่อนแม้จะห่วงและหวงบุรุษ อันเป็นยอดดวงใจผู้นั้นสักเพียงไรก็ตามหล่อนไม่มีสิทธิ์ที่จะตั้งแง่เป็นศัตรูหรือเคียดแค้นหืนห่วงใดๆไดม่ผมทองผู้นั้นได้อีกเลยไม่มีสิทธิจริเงเพราะสตรีนั้นได้พิสูจนแล้วว่าได้ทุ่มทั้งชีวิตจิตใจเข้าช่วยเหลือรับกินเลยไม่มีเลขกลอนอะไรเคลือบแปงหล่อนเองต่างหากที่ทอดทิ้งเข้าไป แม้จะชั่วระยะก็ตามและยามที่ภัยมาถึงตัวเข้าเช่นนี้ใครล่ะที่เป็นคนใกล้คิดเข้ามากที่สุดใครช่วยเหลือเกื้อกูลเขาไว้ตอนนั้นหล่อนไปอยู่ที่ทไหนทุกคนพูดและวิจารณ์ถึงเหตุการณ์กันต่างๆรอบตัวไปหมดแม้แต่ดารินมีแต่ดารินคนเดียวเท่านั้นที่ยืนสงบ งานจมอยู่ในห่วงคิดเช่นนั้นแต่ก็ไม่มีใครสักคนที่จะพูดถึงคริสตีนาคงมีแต่เพียงเชษถาคนเดียวเท่านั้นที่ยืนมองน้องสาวอยู่เงียบๆมันจะอ่านลึกลงไปถึงก้นเบื้องของหัวใจและสังเกตท่าทีอยู่ระหว่างนี้พวกนั้นช่วยกันค้นพหลักฐานเพิ่มเติมยืนยันความจริงที่ได้ปรากฏขึ้นแล้วนั้นชัดเจนขึ้นตามลำดับพยินและพวกลูกค่ะ คนพบร่องรอยการตัดไม้ไผ่มาทำเป็นแค่หามคนเก็บไปด้วยนานอินพยายามชะโงกตัวลงไปส่องไฟตรวจดูในโพรงเหวนั้นแล้วก็ชี้โวยไวให้ทุกคนเห็นไฟฉายประจำตัวของระพินที่หล่นลงไปแตกอยู่อย่างบริเวณแง่หินที่ต่ำกว่าระดับที่เขาติดค้างอยู่ลงไปอีกและไม่ได้มีการเก็บกันขึ้นมาโดยคณะกู้ชีวิตนั้นสิ่งเหล่านี้มันยิ่งประกาศชัดว่าไม่มีการผิดพลาดไปแน่ จากภาพนี้มิที่หลอนเห็นด้วยอำนาจลึกลับพิเศษน้อยเสียงกระสิบเลียกมาเบาๆหลอนสะดุ้งตื่นจากผวงังเทศฐาจ้องนิ่งมาก่อนแล้วหลอนฝืนยิ้มกับพี่ชายซ่อนความหวั่นไหวของดวงจิตส่วนลึกไว้มิดชิดแต่คนละเอียดอ่อนอย่างพี่ชายย่อมเท่าทัานเสมอกระสิบแผ่วปลอบโยนต่อมาว่า ถึงจะเคราะห์ร้ายแต่ระพินก็ยังไม่ได้เป็นอะไรลงไปนะค่ะสำหรับในครั้งนี้แล้วก็ควรจะแน่ใจได้อีกด้วยว่าคนอย่างเขาไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปจากน้อยอย่างเด็ดขาะแม้ว่าจะมีผู้หญิงอื่นที่น่าสนใจมาโผูกพันอยู่ใกล้ทิดเพียงไรก็ตามผู้หญิงคนนั้นอาจแสดงอะไรให้เขาเห็นซึ่งในหลายๆอย่างแต่เมื่อเทียบกับน้อยแล้ว ยังไม่ได้หนึ่งในร้อยหรอกและไม่มีใครรู้จักกระพินดีไปกว่าน้อยไม่ใช่เลยพยายามปลอบใจน้อยลูกคะพี่พูดตามความรู้สึกแท้จริงและเชื่อมั่นเช่นนั้นหล่อนยิ้มอีกครั้งสายสระอย่างเศร้าๆปล่าวออกมาจากความรู้สึกภายในแท้จริงแต่น้อยไม่มีความเชื่อมั่นอะไรอีกแล้วคะ่ะเลอถาเดินเข้ามาจูงมือ นำเดินออกไปห่างคณะนะอย่าคิดให้ร้ายตัวเองและดูหมิ่นน้าใจคนของเราอย่างนั้นสิน้อยดูหมิ่นน้ําใจของเขาหรือคะถ้าคิดว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็นั่นแหละคือการดูหมิ่นน้ําใจละ่ะพี่บอกแล้วว่าจะไม่มีใครรู้จักกระพินดีไปกว่าน้อยหรอกเขาเป็นเหมือนผู้ชายสามัญธรรมดาเป็นนักช่วยโอกาสหรือเปล่าข้อนี้พี่ไม่รู้แต่น้อยรู้ดีหลอนอึงไปครู่หนึ่ง แล้วกล่าวยังหนักแน่นมั่นคงว่าไม่ค่ะน้อยขอรับรองว่าระพินไม่ใช่นักช่วยโอกาสหรือว่าใกล้ผู้หญิงไม่ได้ถ้างั้นมีอะไรจะต้องห่วงในเรื่องนี้แต่ความใกล้ชิดมากความเห็นใจความที่ที่คิดว่าเขาอาจไม่ได้กลับมาอีกแล้วเหลวไหล ที่มีเชื่อว่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงรับกินได้หรอกเพราะมีสิทธิ์ที่จะสำนึกในบุญคุณของคริสมีสิทธิ์ที่จะสนองตอบและป้องการหลอนไว้ด้วยชีวิตมันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วแต่เขาไม่มีสิทธิ์จะรักผู้หญิงคนนั้นได้อย่างเด็ดขาดพี่ใหญ่แน่ใจอย่างนั้นหรือคะหลอนถามเบาที่สุดเชื่อพี่เถอะพี่ดูคนไม่ผิดหรอกถ้ามีเช่นนั้นพี่จะไม่ยอมให้น้อยออกติดตามเขาเลย คนคนนั้นพิสูจน์ตัวเองให้พี่ได้เห็นแล้วในเกียรติยศแห่งความซื่อสัตย์จุริตของเขาในทุกด้านเขาเคยบอกน้อยหรือเปล่าว่าเขารักน้อยเขาบอกค่ะถ้างั้นเทียายิ้มให้ตบไหลอีกครั้งไม่มีปัญหาสบายใจได้เลยดารินวราริจจับมือพี่ชายใหญ่เว้แน่นตกลงค่ะน้อยจะเชื่อพี่ใหญ่ว่า เขาอย่างมั่นคงกับน้อยไม่เปลี่ยนแปลงเขาจะไม่ทําให้ผู้หญิงอื่นใดมาแอบยิ้มเยาะน้อยได้ภายหลังพี่จะบอกอะไรน้อยสักอย่างน้อยอาจไม่รู้ตัวก็ได้อะไรคะลบพินเป็นคนมีฝีมือและฉลาดสารพัดอย่างแต่เขาโง่อยู่อย่างเดียวเป็นความโง่อย่างที่สุดชนิดหาผู้ชายคนไหนในโลกนี้มาโง่เตอร์ถ้าเขาไม่ได้อีกแล้วซึ่งมันก็เป็น คุณแกตัวน้อยเองหม่ความว่ายังไงคะหลอนงงเขาโ ง, ง่ในเรื่องผู้หญิงถ้ารักใครก็จะรักหัวปักหัวปากับผู้หญิงคนนั้นคนเดียวไม่ยอมดูผู้หญิงอื่นเลยนี่คือความง่สเตอร์และจุดบอดอันน่ารักในตัวเขาพี่ใหญ่รู้ได้ยังไงคะเชิขาหัวเราะเบาๆทำไมจะไม่รู้ เพียงแค่อ่านข้อความเชิงกวีของคริสที่ลำพันธ์ไว้มันก็ชี้ชัดอยู่แล้วมันพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้สนใจคริสในเชิงชู้สาวเลยจนนิดเดียวน้อยเป็นคนละเอียดอ่อนในเรื่องนี้น่าจะจับสังเกตพิจารณาได้ดารินวราริศดวงตามีประกายเจอจรัเขเข่มชื่นขึ้นมาได้เป็นครั้งแรกหลนโพเขากอดพี่ชายใหญ่ไว้แน่น หล่อนไม่พูดอะไรอีกทั้งสิ้นในขณะนั้นเชิถขาลูกหลังอย่างชนิดเจตนาจะให้สัมผัสอย่างปราณีนั้นไปปลูกปลอบสร้างความเชื่อมั่นให้แก่น้องสาวอย่างแท้จริงโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้าวาจาใดๆเลยแล้วก็จูงมือกลับมาร่วมกับคณะพักทั้งหมดที่กำลังยืนพูดกันอยู่ยังปากโทงเหวนั้น เห็นจัดสรุปได้แน่นอนตามที่น้อยบอกนี่แล้วครับพี่ใหญ่อนุชาเอ๋ยขึ้นอย่างระมัดระวังคณะอเมริกันโดยการนําของพรานใหญ่ของเขามาเสียเวลาอยู่ที่ริมผุดผาตะเคียนทองไม่น้อยกว่าสองคืนแน่นอนคืนแรกนอนพักกันอยู่ข้างล่างตีนผาแล้วละพินก็มาเสียทีไอผีนรกนั่นล่อมาตกเหวตรงนี้กลางดึกพร้อมกันมันก็ เข้าไปโจมตีทางแคมพวกนั้นถอยขึ้นไปตั้งมั่นอยู่ที่หน้าผานั่นพอเช้าตรู่ก็ออกติดตามหารอยกระผินมาพบกันตรงนี้ช่วยกันเอาเข้าไปรักษาพยาบาลตลอดทั้งวันพอตกกลางคืน<ม>ก็พากันขึ้นไปอาศัยอยู่บนช่องโพรงตามหน้าผานั่นแหละหลักฐานการให้น้าเกลือซึ่งเราพบกับหลักฐานทางเอกสารที่คริสแอบเขียนบันทึกไว้ บนด้านหลังของผนังเก้งระยะเว้นว่างระหว่างนี้ยังมืดมนอยู่วะกระพินจะฟื้นคืนกำลังหายในวันรุ่งขึ้นหรือเปล่าถ้าหายก็อบพยพกระเรียงทั้งหมดเดินทางต่อไปซึ่งอาจเป็นเวลาบ่ายหรือถ้ายังไม่ค่อยยังชั่วก็คงจะต้องพักค้างรักษาตัวรกินแรงกนที่คืน รวมเป็นสมคืนที่จะย่างไรก็ตามมันต้องไม่นานเกินไปกว่าที่จะให้ซากทางเน่าและส่งกลิ่นเสียก่อนไม่มีใครไม่แต่ดารินจะปฏิสเสธหรือมีข้อโต้แย้งแสดงความคิดเห็นใดๆกับข้อสรุปของอดีตครานชดในข้อนี้เชททายกนาฬิกาข้อมือเดินปาของเขาขึ้นดูวันที่ตรวจนับคำนวณอะไรอยู่ในใจก็เอ่ยว่า ถ้าการคำนวณของพี่ไม่พลาดคืนที่ระพินมาถึงที่นี่ก็ควรจะเป็นคืนเดียวกันกับที่ฝ่ายเราละแคละคายในเรื่องนี้และเรียกคุณอณัมพลเข้าไปพบในกรุงเทพเพื่อสอบถามความนั่นเองมันก็เว้นระยะห่างกันแค่ไม่กี่วันนะจริงอยู่ถ้านัจากวันเริ่มออกเดินทางของระพินอาจดูว่าลว่ลวงหน้าไปหลายวันแต่เมื่อนเวลาที่เขา มาโมราชาเสียเวลาในการเดินทางอยู่หลายครั้งทั้งฝ่ายเราก็ตามมาข้างหลังก็น่าจะเรียกได้ว่าฉันคิดเข้ามาอีกมากทีเดียวเพราะฝ่ายเราทําเวลาทําระยะทางได้รวดเร็วกว่าเขามากเพราะฉะนั้นความหวังที่จะตามทันกันกลางทางไม่อยู่มากทีเดียวพี่ใหญ่ของค ร, รากรอย่างมั่นใจและเต็มไปได้วยความหวังผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับน้องชายกลางเห็นด้วย ผมหาเรือกับลุงอินและตะ ก, กี้ถ้าเราไปถึงห้วยเสือร้องเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราจะดูได้ทันทีว่าเรากระชันชิดเข้าในระยะขนาดไหนเราจะต้องสอบให้รายละเอียดว่าพวกนั้นออกจากห้วยเสือร้องเ ข, เข้าเขตนรกดาล่วงหน้าไปกี่วันแล้วอนุชาวเว้นระยะยักษ์ลนิดหนึ่งแล้วก็อีกตอนในเขตนรกดานี่แหละครับ เราจะทันหรือไม่ทันเขาสวรรค์เท่านั้นที่จะบอกได้เพราะเราจะวังพึ่งข่าวสารจากข่าวป่าไม่ได้อีกแล้วนอกจากการแกะอรอยคำนวณก้าวสกัดอย่างเดียวผมเชื่อว่าคณะของรัฐพินเดินไปเร็วกว่าคณะของเดินไปไม่เร็วกว่าคณะของเราหรอกเพราะมีฝ่ายนายจ้างอเมริกันและสัมภาระที่ค่อนข้างมากเป็นตัวถ่วงเวลาอยู่ กับเพจร้ายที่คอยติดตามรังควานพวกเขาตลอดเวลาเราจะให้เข้าถึงห้วยเสือร้องภายในวันนี้ทันไหมเราจะเข้าให้ถึงห้วยเสือร้องภายในวันนี้ทันไหมชัยชยันซักโดยเยอรออนุชาเหลือบดูตะวันเช้าถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรก็เชื่อว่าทันนะอาจหลังตะวันตกดินไปแล้วแต่ไม่ควรเกินสองทุ่มเป็นอย่างช้า พี่ใหญ่พูดถูกแล้วกระพินเสียเวลาเท่าไหร่ก็เป็นการก็เป็นกําไรทางฝ่ายเราเท่านั้นว่าแต่ว่าลาาสกุลหนุ่มอดีตนักผจนภัยหัวเข็ดหันไปมองพี่ชายใหญ่เป็นหัวหน้าคณะนะพี่ใหญ่จะเอายังไงครับแกะรอยตรวจดูเส้นทางเดินเขาไปตามลำดับหรือว่าจะให้ผม กับลุงอินหาทางลัดย่นย่อมุ่งไปห้วยเสือร้องเลยทีเดียวโดยไม่สนใจว่าพวกเขาจะไปกันทางไหนโดยไม่จําเป็นต้องเสียเวลาคิดเลยเชิดขาให้คําให้คําตัดสินใจอย่างมั่นคงว่าพี่บอกแล้วว่าก่อนจะถึงห้วยเสียร้องเราจะต้องแกะรอยพวกเขาไปทุกระยะชนิดเดินทับรอยได้เป็นได้ยิ่งดีเพราะ มันจะทำให้เขารู้เห็นจากหลักฐานไปตามลำดับเหตุการณ์เขาอ่านเหตุการณ์ออกทุกขั้นตอนว่าพวกเขาเผชิญกับเหตุการณ์ชนิดใดบ้างเหมือนเหมือนอย่างที่เราได้พบกันมาแล้วเป็นลำดับนี่แหละถ้าเราใช้วิธีจัดทางก้าวสกัดโดยมุ่งไปทางห้วยเสือร้องแต่แรกทีเดียวเราก็จะไม่รู้อะไรที่เหมือนอย่างที่เราได้รู้เห็นกันอยู่ในขณะนี้ ระหว่างการรอหาเรือกันโดยใช้คำพูดโต้อตอบอย่างรวดเร็วนั้นดารินเป็นฝ่ายยืนสงบฟังเฉยเหมือนจะเดะคิดอะไรอยู่คนเดียวและเหมือนเป็นการเอาใจอนุชาแลไปทางน้องสาวเล็กและทำนองของความเห็นและถามทำนองของความเห็นอีกคนพี่ใหญ่เขาจะเอาอย่างนี้น้อยละ่ะว่ายังไง หลอนตื่นจากพววงคิดในใจกำลังใจและความมานะโรหดสุดใจขาดดิ้นกลับคืนมาอีกครั้งก็สุดแล้วแต่เสียงส่วนใหญ่เถิดคะหลายความคิดย่อมดีกว่าความคิดเดียวพี่ใหญ่พี่กลางชายยันและลุงอินสี่คนเมื่อมารวมแนวความคิดกันเข้าแล้วก็เปรียบอะไรไม่ผิดกับคณะเสนาธิ ก, การอันมีสมรรถภาพสุดในการเดินทางครั้งนี้ แต่น้อยขอมีข้อแม้อย่างเดียวเท่านั้นข้อแมอยังไงสามชายถามมาเป็นเสียงเดียวกันดารินเดินตรงเข้าไปชิดเจ้าด้วนที่ยืนโยกายแวงงวงอยู่ใกล้ๆลักษณะของมันยามนี้มองไม่ผิดอะไรกับช้างเลี้ยงของคณะที่ร่วมเดินทางมาด้วยหล่อนเกาะไว้ที่ขาหน้าอันใหญ่โตของมัน แล้วตกเบาๆอย่างแสนรัสนิทถ้าเจ้าวนของน้อยตัวนี้ไม่แสดงกิริยาผิดสังเกตอย่างใดน้อยก็จะให้พี่กลางนําทางไปปกติแต่ถ้ามันมีอาการผิดสังเกตแสดงปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งทางไปทางด้านไหนน้อยขอให้ทุกคนอย่ามองผ่านไปเสียขอให้เดินตามมันไปเพราะมันจะต้องนําเราไปพบกับหลักฐานอะไรที่เราอาจค้นไม่พบหรือผ่านไปเสียอย่างคิดไม่ถึงก็ได้ตกลงไหมคะ อนุชากับชายยันทาสีหน้าไม่ศรัทธานะแต่เชษฐาพยักหน้าบอกมาทันทีว่าตกลงน้อยพี่จะไม่ขัดใจน้อยในเรื่องนั้นเลยพี่เชื่อเต็มที่ว่าระหว่างน้อยกับช้างป่าของวรพินตัวนี้มีอะไรพิเศษที่สามารถจะยังรู้จิตใจของกันและกันได้ดีเป็นพิเศษแต่ขอให้คอยสังเกตพระเครื่องรางและกระดิ่งที่น้อยอพูกอมันไว้ได้ตลอดเวลาด้วย ใกรณีที่มันโปลออกมาทุกครั้งถ้าทั้งสองสิ่งนั้นขาดหายไปจากคอมันเมื่ อ, อไหรอย่าไว้จใจเป็นอันขาดแม้ว่ามันจะแสดงความเชื่องสักขนาดไหนก็ตามน้อยจะคอยดูไว้ตลอดเวลาเชียวค่ะและเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับกระดึงผูกคออันนี้จะไม่มีวันหลุดไปจากคอของด้วนอย่างเด็ดขาดรอนรับคำอย่างมั่นคงเชิดถาพยักหน้าบอกทุกคนที่รวมกลุ่มอยู่ในที่นั้น ให้เคลื่อนที่ทันทีทั้งหมดเดินลงมาจากเนินหลังเต่าซึ่งเป็นตำแหน่งที่พบเหวอันรพินตกลงไปสลบอยู่นั้นสมทบกับลูกหาบจํานวนหนึ่งพร้อมกองสัมภาระที่คอยอยู่ก่อนแล้วเจ้าด้วนเดินดุมดุมตามลงมาด้วยทุกคนเห็นความฉลาดแสนรู้ของมันอย่างชัดเจนอีกครั้งในกรณีที่ถ้าหากมันต้องการจะเดินเงียบ โดยไม่ให้กระดึงอันแขวนคออยู่ส่งเสียงโกรกเกรกขึ้นมันก็จะใช้งวงม้งวนขึ้นมาจับไว้ที่กระดึงห้อยคอนั้นเสียทำให้ทุกคนต้องมองมันด้วยความพิสูงอยู่ครามครันเพราะมันจะเดินแบบส่งสัญญาณให้ฝ่ายของมนุษย์อันเป็นมิตรกับมันรู้ตัวก็ได้หรือจะเดินอย่างไม่ให้เกิดเสียงใดๆเลยก็ทำได้จากความฉลาดแสนรู้เหนือระดับช้างป่าสามมัน ดารินยิ้มเดินลงเนินไปพรางก็โบกมือกวาเรียกมันไปด้วยซึ่งมันก็เดินตามไปโดยดียังไม่แยกไปทางอื่นเมื่อลูงหาบเริ่มของขึ้นบ่าอนุชาก็บอกกับพักพวกทุกคนว่าคิดว่ายังพอมีเวลาเหลือเฟือเราจะไต่สวนขึ้นไปทางต้นลำธารให้พ้นจากบริเวณซากช้างเน่านี่สักห้าหร้อยเมตรก่อนแล้วรียมบรรจุน้าเพื่อจะบวกต่อทั้งวัน ตรงนั้นเราจะพักอีกสักสิบถึง20สิบนาทีใครจะอาบน้ำผลาดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้สบายตัวเสียก่อนก็ได้เพราะหนทางข้างหน้าหาแหล่งน้ำลำบากจนกว่าจะถึงบริเวณห้วยเสือร้องดีเหมือนกันเชิถาว่าหมักหมมกันมาทั้งวันกับคืนเต็มๆแล้วหาน้ำอาบสักมื้อก็ดีแล้วนี่เราจะเริ่มแกะรอยระพินยังไงต่อไปหลังจากนั้นไม่ยากหรอกครับพี่ใหญ่รอยเดินของมันตั้งผยงุง ต้องขยงใหญ่แบบอบพยพแบบรอยเดินของคนต้องขยงใหญ่แบบอบพยพแบบนี้จะมองเห็นได้ชัดเจนทีเดียวและทิศ ท, ทางที่จะไปห้วยเสือร้องและผินก็ต้องบ่ายหน้าขึ้นไปเหนือตลอดไปนั่นแหละมันก็ทางเดียวกันหรือใกล้ขีเดียนกับที่เราจะสาวขึ้นไปตามเส้นทางของลําธารนี้อยู่แล้วอาบน้ํากันเสร็จพ้งกับนานอินจะค้นรอยเองทั้งหมดโดยการ ตีมือชี้บอกทิศทางของอนุชาไปยังลูกหาบที่รีรออยู่ก็บายหน้าเลาะตีเนินหลังเต่าลูกนั้นมุ่งขึ้นสวนตะวันเช้าเบี่ยงองศาเหนือทันทีพวกลูกหาบห้าคู่นาไปก่อนโดยคณะเจ้านายตามไปเบื้องหลังเจ้าด้วน ย, ยังไม่แยกไปทางไหนมันเดินผ่านกลุ่มคนเหล่านั้นทางๆตัดเลยนำไปเบื้องหน้า ดูรากับจะรู้ทิศทางกำหนดไปของพรานชดอยู่ก่อนแล้วแล้วเว้นระยะห่างจากหัวขบวนประมาณ30หลาป่าโปร่งบริเวณเนินเขาเตี้ยๆทำให้มองเห็นตัวที่มันเดินดุม่มอยู่เบื้องหน้ายังถนัดเหมือนจะเป็นการเคลียร์เส้นทางให้ก่อนแต่ก็ไม่มีใครบอกได้แน่แม้แต่ดารินเองว่าเมื่อไหร่มันจะเร้นกายหายลับไปจากสายตา เพราะปกติวิสัยของมันเท่าที่ทุกคนจะหนักเคยชินดีอยู่แล้วก็คือแม้เจ้าช้างป่าใหญ่ตัวนี้จะแสดงให้เห็นว่ามันติดตามพวนเปียนอยู่ใกล้ชิดคณะเดินทางมาตั้งแต่หนองน้งนําแห้งก็ตามแต่มันก็หาได้ร่วมขบวนไปกับคณะหรืออยู่ในรัศมีที่จะมองเห็นได้ตลอดเวลาไม่นึกจะโผล่มาเมื่อใดมันก็โผล่นึกจะหายไปเมื่ อ, อไหร่มันก็หายไปอย่างลึกลับเป็นเช่นนี้เสมอ จะไปหวังให้มันร่วมขบวนคลอเคลียใกล้ชิดไปกับคณะเหมือนช้างบรรทุกย่อมไม่ได้และนานวันจากการเฝ้าจับดูพฤติการของมันทำให้ทุกคนในคณะไม่แต่ลูกหาก่าหมดสิ้นความหวาดระแวงเกรงกลัวมันอีกต่อไปแล้วรู้แน่ว่ามันไม่มีอันตรายใดๆกับคณะแน่นอนเพียงแต่ว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ชิดหรือแตะต้องตัวมันเท่านั้นยกเว้นดารินเพียงคนเดียวที่ทาได้ บัดนี้ทุกคนเดินเรียบไหลลำทารเหนือบริเวณตีนเชิงผาของหน้าผาตะเคียนทองและอยู่เหนือลมของบริเวณนั้นจนเกินกว่าที่จะได้กลิ่นซากเน่าของช้างตายจํานวนมากเหล่านั้นแล้วเจ้าด้วนบายหัวนําตัดลงบริเวณทานน้ําไหลอันอุดมไปได้วยโขดหินและพันไม้ริมน้ําอันขึ้นอยู่เขียวขจีร่มรื่นทันที ตัวมันเองก็ลงไปดื่มน้ำแล้วใช้งวงสูบพ้นน้ำกระจายลาดลงไปบนหลังตัวเองจนเปียกโชกพอฝ่ายมนุษย์ตามลงมาถึงมันก็ลุยข้ามกลับไปสู่ฝั่งเดียวกับทิวของหน้าผาตะเคียนทองหยุดยืนมองเหมือนจะรออยู่ใต้โคนไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอนุชา บ, บงการให้พวกลูกหาบเติมน้ำเข้าภาชนะไล่พักอาบน้าทันทีโดยกระจายกันไปตามแก่งแง่โขดหิน ที่งอกโปเป็นแนวฉากํำบังทั่วไปเหล่านั้นเอาละน้ำบริเวณนิสะอาดจากซากช้างตายพวกนั้นแล้วเพราะอยู่เหนือขึ้นมามากพอจะอาศัยอาบกินกันได้อย่างสบายอย่างอื่นไม่ต้องระวังคอยระวังแตงงูเท่านั้นถินตรงไหนที่เป็นซอกโพรงลึกผิดปกติก็ขอให้สังเกตให้ดีอย่าไปอาบตรงนั้นอา้าวน้อยเราเป็นผู้หญิงคนเดียวในคณะลงไปอาบเดก่อน พวกพี่จะคอยดูแลให้เองให้เวลาไม่เกินสิบนาทีกล่าวพลางพี่ชายกลางก็ชี้มือไปยังแนวล้อมของก้อนหินใหญ่ใจกลางทานน้ำไหลลึกระดับเอวตำแหน่งหนึ่งซึ่งตนเข้าไปเดินสำรวจดูไว้ก่อนแล้วตนเองไต่ขึ้นไปนั่งอยู่บนยอดหินพอที่จะมองเห็นอะไรในทิวทัศน์ที่กว้างไกลพอประมาณสูบบุหรี่ไลเฟิลพาดตะเชิฐาลุยทานไปยัง คนไม้ฟังเดียวกับเจ้าด้วนยืนอยู่ส่วนชัยยันก็คอยระวังให้อยู่บนหนอหินกลางน้ำระยะที่ต่ําลงไปอีกเล็กน้อยกลายเป็นองค์คลักสามจุดที่จะให้การพิทักษ์น้องสาวเล็กของคณะอย่างดีที่สุดทุกคนทําหน้าที่ประสานงานกันโดยไม่จําเป็นจะต้องบงการบอกอะไรสั่งอะไรกันมากดารินถอดเครื่องหลังประจําตัวหรือคนได้อัตบริขาในการอาบน้ําชําระกาย ถอดบูทสั้นเดินป่าออกแล้วเดินลุยน้ำบ้างเหยียบไปตามแง่หินที่โผล่เป็นแนวทางเดินให้เหยียบบ้างตรงไปยังจุดที่พี่ชายกลางกำหนดไว้ทันทีสิ่งที่หล่อนติดเป็นนิสัยจากการฝึกฝนจนซึมทราบข้อสันดานก็คือไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนถ้าในขอบเขตป่าแล้วไรเฟิลประจำตัวจะไม่มีทางหางมือเลยแม้ว่าสภาพแวดล้อมจะดูว่าปลอดภัยเพียงใดก็ตาม ปืนสั้นติดเข็มขัดข้างเอวอีกระบอกหนึ่งพร้อมมีดอีกด้ามสัญชาตญาณไพรของหลอนบัต์นี้เพียบพร้อมผิดกับยุคเก่าก่อนที่เคยเดินทางค้นหาพี่ชายมาในครั้งแรกมากนะักชนิดเป็นคนละคนทีเดียววางไรเฟิ้อและเข็มขัดปืนสั้นไว้บนแท่นหินตำแหน่งที่จะเอื้อมถึงได้โดยฉับพลันแล้วราสกุลผู้สละชีพแล้ว เพื่อติดตามค้นหายอดรักก็สุดตัวลงนั่งบังเหลี่ยมโขดหินอันเปรียบเสมือนฉากแวดล้อมรอบกายอยู่ถอดเสื้อผ้าชุดเก่าออกอย่างรวดเร็วความจริงอากาศยังอยู่ในขั้นหนาวเย็นแต่การเดินออกติดตามหาจุดหมายอันเป็นเถียวที่ระพินลุนลงไปแล้วประกอบกับความหมักหมมต่อคราบเหงื่อใครมาตลอดทั้งวัน ทั้งวันวนโดยไม่มีโอกาสได้สะสางร่างกายเลยทำให้หลอนต้องการน้ำอย่างที่สุดและไม่ได้มีความหนาวเย็นยังได้เลยทั้งสิ้นลำแสงตะวันเข้าสอดลอดกิ่งไม้ลำแสงตะวันเช้าสอดลอดกิ่งไม้และเครือเทาวันสูงที่แผ่ปกคลุมโปร่งเป็นหลังคาอยู่เหนือฝั่งทานน้ำทอดเป็นลำลงมา ทำให้บริเวณทานน้ำใสสะอาดที่ไหลผ่านแง่หินอยู่ริกริกมีทั้งจุดสว่างและจุดอันเป็นเงาสลัวเบื้องต่ำของสายทานลงไปทางด้านใต้หากจากห่างจากตำแหน่งที่หลอนยืนอยู่ประมาณสิบห้าเมตรพวกลูกหาบกำลังผลัดผ้าขาวม้าลงไปแช่ตัวอยู่เช่นกันไม่มีใครรังเกียจว่านายหญิงอาบอยู่ในตอนที่เหนือกว่าเพราะนอกจากความเคารพรักของทุกคนที่มีอยู่เป็นทุนเดิมและ กระแสสายทานก็มีบริเวณที่กว้างขวางปริมาณน้ำมากพออาจเป็นไปได้ในกรณีที่ระว่างโขดหินที่หล่อนเข้าไปยึดเพื่ออาบน้ำอยู่นั้นล้ำขึ้นไปทางด้านเหนือเล็กน้อยพี่ชายสองคนและเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นกาดพิทักษ์คุ้มกันให้อยู่ต่างก็เฝ้าอยู่ในจุดที่เยื้องต่าลงไปเล็กน้อยเพราะต้องการให้หลอนอาบน้ตาต่ำสบาย ไม่ให้ต้องเกิดอาการกระดาษขวยอายอย่างใดเพราะเป็นผู้หญิงคนเดียวของคณะทางด้านหน้าของหลอนซึ่งเป็นส่วนไหลลงมาของสายฐานจึงเป็นส่วนที่ตัวหลอนเองจะต้องสำรวจอย่างระมัดระวังทีท่วนที่สุดเนื่องจากจุดที่เหนือขึ้นไปนั้นจะไม่มีใครมองเห็นภูมิประเทศได้ดีไปกว่าหลอนทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนี้ปรดเปลื่องออกจากร่างไปหมดสิ้นแล้ว ถ้าจะเหลือไว้ก็เพียงสิ่งเดียวคือสร้อยสเตนเลสเคื่งที่ห้อยพระเครื่องรางซึ่งระพินเคยมอบไปให้คงติดคอไว้บริเวณที่พี่ชายกลางมาสำรวจและชี้ตำแหน่งกำหนดไว้ให้ก่อนเป็นบริเวณแอ่งน้ำที่ดูปลอดภัยที่สุดจากสัตว์เลื้อยคานมีพิษเพราะปราศจากซอกโพรงหรือภูมิประเทศแวดล้อมใกล้เคียงอันน่าระแวงระดับน้าลึกเพียงโคนขาไม่มีวัชพืชใดๆหรือใบไม้แห้งลงไปหล่นสมอยู่ พอจะมองเห็นพื้นทรายและหมู่ปลาเล็ ก, ห ล, กหลากสีที่ว่ายอย่างรวดเร็ววนเวียนอยู่ไปมาราวไพรรอบด้านเงียบสงบกิ่งใบพฤกษ์เล็กๆไหวขยับตามธรรมชาติของมันเมื่อต้องลมเช้าเพียงแต่ว่าไม่มีเสียงนกป่าหรือลิงค่าชะนีใดๆทำเสียงหรือโผเงาไม่เห็นเลยรอนถือโอกาสแช่และซักเสื้อผ้าที่ถอดออกนั้นไปด้วยในขณะที่สายตาก็คอยรอบสังเกต ไปยังทิศทางด้านเหนือขึ้นไปของลำธารอยู่เป็นระยะเสียงพี่ชายและเพื่อนสามคนส่งเสียงคุยกันตามปกติเบาๆคนเหล่านั้นอาจสังเกตเห็นหลอนได้เพียงแต่ระดับใบหน้าและศีรษะเท่านั้นที่โผล่จากเหลี่ยมหินขึ้นมาให้เห็นถ้าหากหลอนนั่งอยู่บนชานหินใต้น้ำเสื้อผ้าซัดแกว่งน้ำเพียงลวกๆวกแค่ให้หมดคราบเงอใคร แล้วบิดจนหมาดเอามาวางกองเรียงไว้บนลานหินใกล้ๆอาจเป็นด้วยฟองสบู่จางๆที่ไหลาตามสายน้ำลงไปเสียงชัยยันอดร้อออกมาเบาๆด้วยอารมณ์ชอบเย้าแย่ตามนิสัยไม่ได้ว่าน้อยระวังหน่อยนะปลาในลำธาร น, นี้จะตายหมดไม่ได้อาบน้ำามากี่วันแล้วนี่หลอนไม่ตอบ การมีชา ย, ยันมาด้วยในครั้งนี้เป็นความปลอดโปร่งอารมณ์ชนิดหนึ่งของหล่อนเพราะมีเขาคนเดียวเท่านั้นที่พูดและทำอะไรให้หล่อนคลายอารมณ์เศร้าและตึงเครียดลงไปได้บ้างพี่กับพี่ชายสองคนซึ่งเอางานเอาการเกินไปชา ย, ยันมีอารมณ์ขันและนิสัยชอบกระเซาเย้าแย่อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะตกอยู่ในภาวะใดมันก็ดีไปอย่างเหมือนกันไม่เพียงแต่พูดเย้ามาอย่างเดียวเท่านั้น ชายยันยังมีการเอาก้อนกรวดเล็กๆขนาดปลายนิ้วก้อยบ้างขนาดหัวไม่มือบ้างคว่างหย่อนมาที่บริเวณหล่อนเป็นระยะๆตรงข้ามกับพี่ชายสองคนที่นั่งสูบบุหรี่อยู่เงียบๆห้ามโป้นะอย่างน้อยก็ควรจะเอาผ้าขาวม้ากระโจมอกไว้เส้นหน่อยฉันมองเห็นน่าจะบอกให้เสียงสหายชายผู้รักสนิทเหมือนพี่น้องครานตามกันมาแซวออกมาอีกเขาไม่ ไม่มีความหมายอะไรมากไปกว่าที่จะปลุกปลอบอารมณ์อันเศร้าหมองของหล่อนในขณะนี้อย่างน้อยก็เหมือนจะให้ลืมอะไรต่ออะไรในความคิดหนักของหญิงสาวลงชั่วคราวมาช่วยซักกางเกงในให้ฉันหน่อยสิชายยันหล่อนร้องต่อไปเบาๆอีกฝ่ายหนึ่งหัวเราะเอาไว้ให้นอนเอาไว้ให้นอนตอนเจ็บลุกไม่ขึ้นใช่ก่อนแล้วชายยันจะไปซักกางเกงในายให้เธอเองถ้าหาหาคนใช้ไม่ได้ ระวังกิ่งไม้เหนือหัวหน่อยนะตาฝาดหรือเปล่าไม่ดูมองดูคล้ายๆงูหลามมันคดอยู่บนนั้นถ้ามันทิ้งตัวตุบลงมาที่เธอแล้วก็พยายามทําตัวให้เป็นทาสานหญิงให้ได้นะเพราะจะไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเธออีตอนนุ่งลมห่มฟ้าอยู่นั่นหรอกทั้งทั้ที่รู้วะถูกเพื่อนกนระเซ้าล้อเล่นหล่อนก็อดไม่ได้ที่จะต้องแง้มมองไปยังกิ่งไม้เหนือศีรษะที่ทอดอยู่ลำข้ามศีรษะ มันไม่มีอะไรนอกจากกอกล้วยไม้ป่าที่เกาะพันอยู่กับกิ่งอันจับเขียวไปด้วยตะไครน้ำชุ่มชื้นอยู่ตลอดชั่ว น, นาตาปีและช่อเอื้องพึ่งที่เหลืองอลามย้อยลงมาสวยงามสลับไปด้วยกระเช้าสีดากับพันไม้ที่ขึ้นใกล้น้ำแต่กิ่งก้านงามสะพรั่งเสียดายที่เมย์ไม่ได้มาด้วยไม่งั้นเจวานให้ตกปากสักฉา หล่อนตอบลอดโคดหินกลางน้ำออกมาพอหล่อนเอ่ยถึงพันยาสาวที่เพิ่งจะคลอดบุตรชายได้วันเดียวและตัวเองก็ต้องหกระหืนพลัดพรากมาเดินป่าโดยไม่รู้อนาคตเช่นนี้ชั ย, ยันก็น่าจ้อยหูปากสงบนิ่งไปทันทีมันเป็นการที่จุดกลางใจอย่างถนัดและหล่อนก็พูดออกไปโดยไม่ทันคิดเงียหูระวังระวังลูสบสบู่ไปตามร่างกายไม่ได้ยินเสียงเพื่อนชายพูดอะไรออกมาอีก ดารินเริ่มรู้สึกไม่สบายใจร้องเรียกออกไปเบาๆว่าชัยยันมีเสียงตอบมาว่าอืมขอโทษด้วยนะถ้าฉันพูดอะไรให้เธอต้องมีความทุกข์เศร้าฉันไม่ได้ตั้งใจเสียงชัยยันฝืนหัวเราะมาขึ่งคืนแล้วทําเสียงให้ร่าเริงเหมือนเดิมว่าฉันไม่คิดอะไรมากเหมือนเธอหลอกน้อยลงได้ตัดสินใจเด็ดขาดแบบนี้แล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างฉันทิ้งไว้ข้างหลังทั้งหมดถึงอย่างไรทั้งเมียและลูกของฉันก็ปลอดภัยแล้วตัวฉันเองจะมีโอกาสกลับไปชื่นชมกับเขาอีกหรือไม่มันสุดแล้วแต่ว่าสนาชะตาชีวิตฉันรู้แต่เพียงว่าฉันรักเพื่อนฉันทิ้งเพื่อนไม่ได้ระหว่างพี่ชายสองคนที่นั่งคุมอยู่คนละฝั่งทานกับชัยยันผู้ไปนั่งอยู่บนโขดอยู่บนโขกหินกลางทานน้ำก๊ออล่อนลงไปเล็กน้อย ชั ย, ยันอยู่ใกล้กับรลอนมากที่สุดพอจะพูดกันเบาๆได้ยินสองพี่ชายรู้ว่าทั้งสองพูดคุยกันแต่จับสับอะไรไม่ได้และไม่สนใจอะไรด้วยทั้งสิ้นเชษฐากำลังใช้ความคิดในขณะที่อนุชากำลังวางแผนการเดินทางลูกของเธอและเมก็เปรียบเสมือนลูกของฉันเหมือนกันนะชั ย, ยันฉันและเมยอย่างซึ้งในข้อนั้นดีน้อยแต่ทารพินเขารู้ว่า เมคลอดลูกออกมาแล้วเป็นผู้ชายชื่อเหมือนสกุลของเขาเขาก็คงจะดีใจมากเช่นกันนั่นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะเป็นพ่อยกของเด็กแต่เดี๋ยวนี้พ่อยกของเจ้าพัยวันน้อยของฉันไปเป็นตายร้ายดีอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เสียงชายยันลำพึงออกมาพร้อมกับถอนใจยาวตัวเองอาบนะ้ำปากพูดคุยกับเพื่อนชาย แต่สายตาดารินสอดส่องไปยังฐานเบื้องหน้าอันเต็มไปด้วยเหลี่ยมแง่มุมบางของโขดหินที่งอกอยู่ระเกะระกะตลอดเวลาครั้งแรกหลอนคิดว่ามันอาจจะเกิดจากเงาคลึ้มของป่าหรืออุปทานของตนเองที่แลไปเห็นสิ่งหนึ่งเคลื่อนไหวลับๆ ล, ล่อๆ อ, อ, อยู่ในซอกกำบงังอันจำกัดของหมูหินริมทานซีกซ้าย ซึ่งค่อนข้างจะลบทึบมากระยะมันห่างไปราว25หลาเป็นส่วนใบหน้าที่ลอกออกมาออกมาแค่คอตุ้มเมียงมองจับดูมาที่หล่อนพลแลเขมิงไปภาพนั้นก็ปลบหลบบางแง่หินรับตาสีสันของมันกลืนกับหินที่งอกอยู่ในบริเวณนั้นดารินคอยจับสังเกตอยู่ตลอดเวลาในระหว่างที่ขัดถูกายอยู่ในอาการปกติ ครั้นแล้วมีช้ามินานมันก็ค่อยๆโผล่ออกมาอีกเหมือนคนมาซุ่มแอบมองหลอนอาบน้ำเป็นที่แน่แ น, แน่ก็คือไม่ใช่พวกลูกหาบที่มาด้วยกันทั้งหมดแน่เพราะทุกคนไม่มีใครอ้อมขึ้นไปยังตำแหน่งเหนือน้ำเลยทั้งหมดล้วนอยู่ในด้านต่ำทั้งนั้นอีกประการหนึ่งแม้จะห่างยี่สิบห้าลาออกไปสวดทรงของเขาหน้าอันแลดุดหินหรือขอนไม้นั้น มันก็ไม่เหมือนกับพวกลูกหาบสักคนเดียวมันน่าจะเป็นหินหรือขอนไม้ที่หมุนวนรับๆอๆ อ, อ, อยู่ตรงบริเวณสายน้ำริมก้อนหินที่ซ้อนเหลี่ยมกันอยู่นั้นแต่มันก็ไม่ใช่อย่างเยียบเย็นและสงบอารมณ์ได้อย่างมั่นคงที่สุดดารินค่อยๆเ อ, อ, อื้อมมือไปหยิบไรเฟิลจุดสามร้อยที่วางอยู่ใกล้ขึ้นมาขยับลูกเลื่อน และประทับรอคอยจ้องศูนย์ไปยังตำแหน่งที่หมายตานั้นซีกอันเป็นโหนกแก้มค่อยๆเหลื่อมพ้นแนวหินออกมาทีละน้อยหลอนเล็งรอโดยที่พี่ชายหรือเพื่อนไม่มีโอกาสได้รู้เห็นการเคลื่อนไหวของหลอนชั่วไม่กี่อึดใจเท่านั้นมันก็โผล่ออกมาครึ่งหน้าแต่ก็คงเห็นเข้ากับรูลำกล้องของไรเฟิลที่จ้องมาปอดี เอนแตะไกจลจุดส0 0เวแม็กระเบิดแหลมสถานขึ้นกลางความเงียบพร้อมๆกับที่ใบหน้านั้นก็หลบวูบอย่างนกรู้เสียงเปรี้ยะเหลากับฟ้าผา่าในความสงบราบคาบของสถานที่ทำเอาทุกคนที่ไม่รู้ตัวมาก่อนจะดุ้งสุดตัวก้อนหินริมฝั่งน้ำซ้ายมือที่ใบหน้านั้นโผล่ออกมาแตกเป็นสะเก็ด และฝุ่นขาวตลบด้วยอํานาจกระทบของหัวกระสุนและมันชิงช่วงเวลากันเพียงแค่หน้าปราดนั้นหลกวูบเข้าไปอีกแค่หนึ่งในสิบของวินาทีก่อนที่ดารินจะลั่นไกเท่านั้นเชษฐาอนุชาและชัยยันเพรนพวดขึ้นยืนพร้อมกันหมดพร้อมกับไรเฟิลในมือขณะเดียวกันพวกลูกหาบที่กําลังนั่งพักลาบน้ํากันอยู่ในฐานก็เพลนกันอุตลุดเข้ามาหาปืนของตัวมุ่นวายโกลาหลและรวดเร็วพรักพร้อม ลรากับทหารที่ฝึกมาแล้วอย่างดีทุกคนทั้งหมดเห็นแผ่นหลังขาวโพลนของดารินยืนขึ้นต่อมาก็ตวัดผ้าเช็ดตัวมองกระโจมอกไว้หน้าหลอนยังหันไปทางต้นลำธารพอนุ่งผ้าเช็ดตัวเสร็จก็คว้าไร่เฟิ่เดินขึ้นฝั่งธารโดยไม่สนใจใครทั้งสิ้นวิ่งเหาะๆตรงเข้าไปยังตำแหน่งที่หลอนหมายตาไว้ก่อนในมือถือไร่เฟื่พร้อมที่จะระเบิดกระสุนซ้ำได้ทันที ชายยันกระโดดรุยโครมครามตามมาเบื้องหลังขณะที่อนุชากับเชษฐาวิ่งเรียบเลาะริมฝั่งโครด้านแข่งกันโกรวดไล่หลังดารินไปในทันทีขยินนานอินและพวกรูปหาคว้าปืนได้ก็วิ่งกรูกตางกันมาเป็นพรวน ท, ทั้งทั้งที่ยังไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรเสียงเจ้าด้วนร้องแผลนยาวขึ้นมาครั้งหนึ่งยืนหมุนวนอยู่ตรงนั้นมันเองก็สะดุ้งตกใจกับเสียงปืนสนานหวั่นไหวแต่ไม่ถึงกับเตลิดเพ่นไปไหน ยังรวดเร็วปราดเปรียวตามธรรมชาตินิสัยดารินวิ่งเข้ามาถึงตำแหน่งที่ปรากฏรอยลูกปืนของหลอนกระทบหินแตกคาวเวอร์บาดแผลของ บ, บาดแผลขนาดฝ่ามือนั้นภายในเวลาแค่สองนาทีหลังจากที่หลอนระเบิดกระสุนออกไปแล้วก้มลงสำรวจบริเวณตลอดจนมองใกล้มองไกลรอบด้านอันเต็มไปด้วยพงทึบนั้นเหมือนจะทะเนทิศทางตรวจหาร่องรอย อึดใจต่อมาพรานชดก็เพนเข้ามาถึงเขายังไม่ถามอะไรก่อนทั้งสิ้นมองไปยังรอยแผลก้อนใหญ่อันจับเขียวไปด้วยตะไคร่น้ำนั้นเชษดทายยังคงอยู่ฝั่งตรงข้ามชูไหล่เฟินขึ้นในมุม45องศาและชา ย, ยันก็ตะกายตะลิ่งขึ้นมาทางด้านที่อนุชากับดารินยืนตรวจค้นกันอยู่น้อยยิงอะไรเสือหรือเสียงพี่ชายใหญ่ตะโกนถามมา ดาริยังไม่ตอบก้ ม, ก ม, กมเงยอยู่ตามบริเวณกรวดริมทานน้ำนั้นและไล่ตามเข้าไปยังตะลิ่งโดยมองพื้นไปตามลำดับเอามือผักชัยยันที่ขึ้นมายืนหน้าตื่นเลิกละเหยียบทับบางรอยที่หล่นกำลังค้นหาอยู่นั้นให้หลีกไปทางหนึ่งอนุชากวากมือเรียกพี่ชายข้ามาทางฝั่งนี้เถอะครับพี่ใหญ่เชิากระโดดเหยียบมายังก้อนหินใหญ่น้อย ที่ขึ้นอยู่ตามทานนั้นตรงข้าวมาสมทบจากฝั่งตรงข้ามที่ยืนคุมเชิงอยู่ทันทีขณะนั้นดารินตามรอยกรวดที่มีลักษณะเหมือนถูกเหยียบไว้จนกระทั่งถึงพื้นดินบนทรายริมตะลิ่งแล้วก็มาหยุดยืนอยู่ยังรอยที่ปรากฏอยู่ขณะนั้นทั้งเพื่อนและพี่ชายกําลังพิจารณาอยู่ที่ตําแหน่งกระสุนกระทบซึ่งกําลังพูดคุยกับเข้าดีๆเห็นเงียบไปอึดใจก็ไลเฟิร์นลั่นตูมจนแก้วหูลั่น แล้วเขาก็ลุกขึ้นพรวดพราดวิ่งมานี่แหละชัยยันละล่ำละลักอนุชามหมุนตัวขวับกระโจนไปยังบริเวณที่น้องสาวสุดตัวลงสำรวจดินปนทรายอันมองเห็นชัดว่าพื้นกรวดเชิถาชัยยันตามเข้ามาด้วยตำแหน่งที่ดาริต ก, ก้มลงพิจารณาอยู่นั้นดูเหมือนจะตอบปัญหาคนทั่วไปกว่าครึ่งแล้ว รอยตีนลักษณะเหมือนตีนมนุษย์โดยมีฉะนั้นก็ปลาสเตอร์ที่หล่อไว้ให้ใกล้เคียงกับลักษณะรอยตีนมนุษย์ขนาดความยาวหนึ่งฟุตเศษส่วนกว้างที่ร่วมส่วนกว้างที่สุดร่วมเจ็ดนิ้วปรากฏประทับอยู่บนดินปนทรายอ่อนๆนั้นน้ำหนักตัวอันมากมายทำให้มีรอยเหยียบลึกและมีน้าติดอยู่ด้วยแสดงว่าเพิ่งจะเดินอย่างรีบร้อนหรือวิ่งขึ้นจากน้า ระไปอย่างรนลานรวดเร็วก่อนที่ทุกคนจะมาถึงพอเชิฐากับชั ย, ยันมองเห็นถนัดก็อุทานออกมาว่าเฮ้ยพร้อมกันแล้ววัรละนั้นท้านขายินและนานอินก็ห่อแนบมาถึงพอดีมีลูกหาบนุ่งพ้ขาวมาห่อตามมาเป็นทั้งกลุ่มทุกคนส่งเสียงถามแซดไม่ได้สับแล้วก็มาเห็นเข้ากับรอยตีนประราชกับรอยลูกปืนของดารินตาแหน่ง กระทบหินพร้อมกันทั้งหมดลาสกุลสาวเม้มริมฝี ป, ปากแน่นลุกขึ้นจากลอยตีนที่เห็นชัดตำแหน่งแรกนั้นทำถ้าจะตตะตลิงชั้นอันมีลอยตีนล่วงพลูลงมาใหม่ๆคล้ายกับว่ามีอะไรรีบจะกายหนีขึ้นไปทางนั้นแต่พี่ชายกลางคว้าไหลไหว้เสียก่อนอย่าหลงกลนั่นแปลว่ามันล่อให้ตามแล้วหญิงสาวชะ ง, งักเอามือข้างหนึ่งลูบน้าอันเกาะพราวอยู่บนใบหน้า ลีตามเม่นมองอย่างผงรบของตะลิงสูงอย่างใช้ความคิดหนักหล่อนยังไม่ได้พูดอะไรสักคำเดียวนับตั้งแต่ยิงกระสุนนัดแรกและโกรธตา ม, มาที่นี่น้อยเห็นอะไรยังไงเขานี่เชฐาถามเสียงเครี ย, เรยดเอื้อมมือมาจับต้นแขนไว้แน่นมันแอบมองน้อยอยู่ขณะที่อาบน้ำค่ะหล่อนเพิ่งจะบอกขึ้นได้เป็นประโยคแรกน้าเสียงปกติธรรมดาที่สุด โูรพูดโยังมีเลน่นายอยู่ตำแหน่งที่กระสุนปืนกระทบนั่นแหละครั้งแรกนึกว่าเงาตะวันหรือตาฝาดแต่เฝ้าดูอยู่พักหนึ่งก็แน่ใจว่ามีอะไรผิดปกติแน่จึงจ้องปืนระวังอยู่พอมันค่อยๆโผล่หน้าออกมาอีกน้อยก็นเหนียวไกปืนมันชิงเวลากันชั่ววิบตาเดียวเท่านั้นพอมันหดหน้าหลบกระสุนเลยพลาดไปกระทบก้อนหินที่เห็นนั่น ถ้ามันหลบไม่ทันกระสุนจะพากะโหลกแล้วเชิถามองดูภูมิประเทศอันลกทึบรอบด้านแล้วสั่งอนุชาว่าตรวจรอยเท้าให้ดีสิกลางเป็นไอพวกมนุษย์ป่าดุร้ายประเภทสางเขียวรูอว่าสัตว์ประเภทไหนอนุช า, าไม่ทันตอบนานอินก็บอกทันทีโดยมีเสียงต่ำๆของแกว่ารอยตีนเหมือนคนแต่ไม่ใช่คนหอกนายใหญ่มันเป็นไอตัวชนิดเดียวกับที่เคยไปอลวาส กับเราในปางพักมาก่อนเมืาก่อนแล้วพร้อมกับช้างบุกนั่นแหละไอ้ผีตายซากนับอายุไม่ได้ที่มันจ้องก่อกวนรังควานคณะของนายละพินกับพวกเราอยู่นี่แหละเสียดายที่นายหญิงยิ่งพลาดพวกเราตกอยู่ในสายตารู้เห็นของมันตลอดเวลาไม่ว่าจะเคลื่อนไปไหนนี่ดีว่านายหญิงมองเห็นเสียก่อนเชิดาเข้าไปนั่งยองๆตัวดูรอยเท้าใหญ่ผิดมนุษย์ในยุค ป, ปัจจุบันนั้นด้วยตัวเอง แล้วกัดลิมฟิป่าเขาเห็นด้วยกับคำพูดของนานอินนั่นมันไม่ใช่รอยตีนสัตว์ชนิดใดแน่นอนและรอยใหม่ๆที่เปียกน้ำก็ เ, เป็นพยานหลักฐานอยู่ว่าดารินไม่ได้ตาฝาดเลยที่ลั่นกระสุนออกไปเมื่อกี้ติดใจนี่เองใช่มันละแต่จะเป็นไอตัวไหนก็ไม่รู้ได้นี่ขนาดกลางวันแสกๆมันยังมาป้วนเปียนอยู่ใกล้พวกเราจนได้แล้วก็ไปได้เร็วเหลือเกิน กลางตัดสินใจถูกแล้วที่ไม่ให้ตามมันไปมีแต่อันตรายครับเพราะไม่รู้ว่าจะล่อเราไปไหนสำคัญที่สุดมันอาจต้องการให้เราออกนอกทิศทางที่เราตั้งใจไว้ก็ได้ถึงได้มาโปล่หน้าหลอกให้น้อยยิงและมาเห็นร่างเลาะและมาเห็นร่องรอยของมันไอ้ผีนลกนี่มันจะจองเวรเราไปถึงไหนนะทยันร้องขึ้น พร้อมกับสะบดสาบแช่งแล้วหันมาทางดารินน้อยเธอพูดคุยกับฉันตลอดเวลาไม่เห็นกระซิบสักนิดว่าเธอเห็นอะไรอยู่ไม่อยู่ก็ยิงโครมก็ให้เสียจแล้วฉันคอยระวังดักมันอยู่รอให้มันรอหน้าออกมาไม่อยากจะแสดงอะไรผิดปกติพอมันโผล่ออกมาอีกครั้งฉันก็ยิงคิดมันกันว่าพวกเราคงตกใจมากจะเอายังไงต่อไปนี่มันตามแล้วเกิน ประโยคสุดท้ายหลอนพูดเร็วปื้อแล้วก็ป้องปากตะโกนเรียกเจ้าด้วนเสียงดังลั่นไปหมดมีเสียงร้องออกมาจากช้างป่าตัวนั้นแต่มันหยุดยืนอยู่ที่เดิมไม่ได้เคลื่อนเข้ามาอาศัยหน่อยไม่ได้เรอจะให้ตามไอ้ผีดิบหนี่หน่อยหลอนร้องตวาดไปอย่างหัวเสียแต่พี่ชายกลางบอกมาว่าพี่บอกแล้วว่าอย่าหลงกลเรายัางไม่รู้ว่าถ้าตามไปแล้วจะพบอะไรรอคอยอยู่ ซึ่งไม่เป็นผลดีกับเราแน่ๆสังเกตดูเจ้าด้วนของเธอก็ได้ขนาดเธอเรียกมันยังไม่ยอมมาเลยเอาละ่ะทุกคนกลับไปที่เก่าของเราอาบน้ําโดยเร็วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางแล้วเรื่องนี้พับไปถ้าไม่ใช่โอกาสของเราปล่อยมันไปก่อนโอกาสของเราเมื่อไหร่ก็จัดการวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะสวนกับโครงช้างผีสิงหรือมันวงังกับกลอะไรไว้บ้างต้องระวังตัวทุกฝีก้าว นานอินหยิบนานอินกับขยินต้อนลูกหาให้กลับไปยังที่เดิมสามคนพี่น้องและชัยยันเดินรวมกลุ่มกันมาเสียงเชิฐถาบ่นว่าแหมนี่ขนาดวางยาวางยามระวังรอบด้านแบบนี้แล้วนะมันยังโผล่เข้ามาได้น้อยก็ตาไวเหมือนกันพี่ใหญ่พี่กลางและชัยยานัน เฝ้าน้อยอยู่ในด้านที่ต่าลงไปนะแต่มันโผล่เหนือน้ำขึ้นไปหน่อยตลอดเวลาที่อาบน้าซักผ้าน้อยคอยสังเกตแต่ทางต้นน้าตลอดเวลาเพราะด้านหลังไม่ต้องห่วงแล้วลักษณะมันเจตนาจะให้น้อยเห็นมากกว่าพี่กลางอาจพูดถูกว่ามันล่อให้ตามแล้วหลอนก็เอามือคว้ารูปกับผระเช็าตัวที่นุ่งอยู่อย่างล่อแหลม บนเจ็บใจที่ยิงช้าไปนิดเดียวไม่งั้นก็โลกแหกไปแล้วจำหน้ามันได้ไหมไอตัวมันตรในซากนักรบที่เธอเชินในคืนนั้นหรือเปล่าชายันถามฉันไม่แน่ใจนะระยะทางมันห่างและมันโพร่มาไม่ชัดนะแต่ขนาดตัวมันไม่เล็กทีเดียวแหละ ดูจากรอยเท้าที่เหยียบดินทรายไว้ทุกคนรีบอาบน้ําเธอชั้นเสร็จแล้วว่าแล้วหลนก็วางไลเฟิ่อไว้บนฝัง่งเดินลุยเข้าไปในที่กองเสื้อผ้าอันซักไว้คว้าได้ก็รีบกลับนําขึ้นมาพร้อมกับเบียงหลบเข้าไปสวมเสื้อผ้าชุดใหม่ที่เตรียมสํารองไว้เชษฐาชัยยานและอนุชาจึงเป็นฝ่ายลงน้ําบ้างโดยอาบ พ, พร้อมๆกัน มีดารินนั่งสูบบหรี่ตาวาวคอยสังเกตการอยู่บนยอดหินตำแหน่งเดียวกับที่อนุชาคเคยนั่งชั่วไม่กี่นาทีหลังจากนั้นทุกอย่างก็เสร็จสับเรียบร้อยมันเพิ่งจะก้าวนอเท่านั้นทั้งหมดพร้อมที่จะออกเดินทางโดยข้ามมายังฝั่งที่เจ้าด้วนยืนโบกหูพึบภาพรอคอยอยู่ดารินร้องสั่งมันว่าด้วนเราต้องการแกะรอยลพินไปทุกฝีก้าว จากตะเคียนทองนี่จนถึงห้วยเสือร้องเธอนำไปให้พบกับล่องรอยการออกเดินทางของเขาเดี๋ยวนี้และใหญ่แย่ออกไปไหนตามพังโดยไม่จำเป็นเราสังหอนว่าเส้นทางระยะนี้อันตรายมากคชสารป่าสวามีพักอาจจะพะกับดารินวราริศเพียงคนเดียวหมุนตัวกลับอย่างคล่องแคล่วแล้วมันก็ออกเดินดุมดุมนำล่อรับตัดเป็นราวป่าทันที ขณะที่เดินก็ชูงวงสูดสำรวจกลิ่นอะไรบางอย่างไปด้วยดาวรินกระชับไรเฟอรในมือมั่นสาวเท้าก้าวตามมันไปอย่างมั่นใจเต็มที่และหล่อนไม่พะวงรอใครทั้งสิ้นทางด้านกลุ่มชายชะกันทั้งสามอันประกอบด้วยพี่ชายสองและเพื่อนตายหนึ่งก็ไม่ต้องมีการกล่าวนะอะไรกันทั้งสิ้นอนุชาทาหน้าที่กระชั้นชิดน้องสาวไปด้วยโดยไม่ยอมปล่อยให ตามเจ้าด้วนล่วงหน้าหางเกินไปนะักเชิดถาชัยยันเดินอยู่เบื้องหน้าของกลุ่มลูกหากนานอินและขยินเป็นกองระวังหลังเหตุการณ์มันสอนให้ทุกคนรู้หน้าที่ดีวะควรจะต้องทำอย่างไรบ้างในระหว่างหยุดคักหรือระหว่างเคลื่อนขบวนออกเดินทางแล้วก็จริงดังที่หญิงสาวเชื่อมันไว้ทุกประการเพียงแค่ตัดป่าลกลงไปที่ลาบาํา เป็นเวงที่โล่งพอสมควรสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้นะักน่าจะเป็นไร่ข้าวฟ่างของเกรียงตะเคียนทองมองเห็นตีนเชิงหน้าผาอันยาวเหยียดที่กินแนวราวกับกำแพงยักษ์ขนานบริเวณทุ่งหรือไร่ซากนั้นมาเจ้าด้วนก็หยุดยืนรันรีหันขวางส่งเสียงร้องเบาๆขึ้นครั้งหนึ่งอ ง, งวงดุนควานไปตามบริเวณพื้นที่อันบั น, นิอุดมไปด้วยยาขน สลับต้นลูกเดือยแก่ขึ้นอยู่ไม่สูงเกินไปนะดาวรินก้มลงสำรวจทันทีแต่หล่อนก็ยังช้ากว่าพี่ชายกลางมากเพราะเขาเก้าวสกัดตามแนวนั้นไปด้านล้ำหน้าแล้วก็ชูมือขึ้นสูงเป็นสัญญาณกับพรกพวกที่เดินตามเบื้องหลังด้วยความเลือดกลางเทิดถาร้องถามออกไปชัดครับบวนคนไม่ต่ำกว่าห้าคนเดินผ่านทุ่งหญ้าขนบริเวณที่ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ เราพบกับรอยเคลื่อนขบวนของอรพินกับกเกรียงอภรลอพยพที่ไปด้วยกันแล้ววิเศษจริงไอ้ด้วนนี่มันรู้ภาษาได้ยังไงนะกับน้อยชยันครงางออกมาอย่างยินดีแล้วทั้งหมดก็เร่งฟีเท้าขึ้นไปทันทีซึ่งมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่ดารินส่งเสียงบอกช้างป่าคู่บารมีของหล่อนให้นําต่อไปทับลอยไปเลยนะด้วนอย่านําแยกไปทางไหน เจ้าด้วนเคลื่อนที่ต่อไปลักษณะการเดินของมันเป็นปอย่างปกติธรรมดาไม่เร่งร้อนอะไรทั้งสิ้นเหมือนจะทําตัวให้เป็นเป้าเด่นเพื่อฝ่ายมนุษย์สังเกตเห็นได้แต่ถึงงั้นมันก็ยังทิ้งระยะห่างออกไปไกลในการเดินนําเลาะตัดทุ่งไปนั้นเพราะช้างแม้จะเดินช้ามันก็ยังเร็วกว่าคนที่พยายามเดินให้เร็วหลายเท่านะไม่ต้องห่วงแล้วน้อยเจ้าด้วนนํำทางให้แก่เธอแน่นอน ยังไม่ต้องไปออกแรงเดินให้ใกล้ชิดกับมันหรอกประเดี๋ยวหมดแรงเสียก่อนเรามาเดินรวมกลุ่มกันไปอย่างนี้แหละทึ้งยังไงก็ยังไม่ผิดเป้าหมายแน่เพราะเจ้าด้วนจะเป็นเรือนําร่องให้เราสังเกตเห็นอยู่แล้วอนุชาสกิดหลังน้องสาวผู้ทําท่าจะกวดจ้ำตามเจ้าช้างป่าตัวนั้นไปทันให้ทันอีกหล่ะจึงยอมลดฝีเท้าลงรอยเดินไปของคนหมู่มากเศษวัสดุ หรือสิ่งเหลือช้อันทิง้งไว้ตามทางไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามมันปรากฏให้เห็นไปทุกระยะทีเดียวก้นบุรีต่างประเทศซิก้าและเปลือกของหมาฝรั่งเป็นหลักฐานที่แน่ชัดที่สุดสำหรับฝ่ายอเมริกันรอยตัดกิ่งไม้บ้างบางระยะรอยฟันเครือเถาที่เกะกะขวางหน้าก็หมายถึงการบุกเบิกของพวกกรเรียงและผ่านพื้นเมือง ของฝ่ายละพินขณะนั้นแสงแดดเริ่มแผดจัดจ้าขึ้นแล้วแต่ทุกคนสดชื่นเพราะได้อาบน้ำมาใหม่ๆและพักผ่อนอย่างพอสมควรในราตรีที่ผ่านมาไอ้ด้วนของนายหญิงมันทำให้เราพบรอยเดินไปของนายละพินเร็วขึ้นอีกไม่ต้อง ม, มังมงมอยู่นานอินบอกออกับกลุ่มเจ้านายแต่ถึงไม่มีไอ้ด้วนพรานชดกันนานอินก็คลาทางทกอยู่ดี เพราะจากหน้าผาตะเคียนทองจะตัดขึ้นห้วยเสือร้องนะมันก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่จะเดินกันไปได้อย่างสบายๆตอนนี้เรายังไม่พ้นแนวหน้าผาตะเคียนทองเลยแกชี้มือไปอยังทิวเขาอันยาวเหยียดมองเห็นอยู่ใกล้ๆเป็นเสมือนกำแพงขนานแนวเส้นทางเดินของคณะทุกคนอยู่ขณะ น, นี้ทางออกไปแค่ไม่เกินสี่ห้าร้อยหลาเท่านั้น กล่าวต่อมาว่าตอนนี้เราอยู่ห่างจากบริเวณที่พวกในลพินเคยตั้งปางพักและตรงบริเวณที่เราขึ้นไปพักนอนสักครึ่งกิโลเห็นจะได้นน่นไงมองย้อนหลังไปโน่นเราจะเห็นฝูงแห้งดำมืดลงตรงบริเวณซากช้างตายนับพันๆตัวอีกและสารพัดสัตว์กินเนื้อมันจะไปกินเลี้ยงกันอยู่ใต้หน้าผานั่น อีกไม่เกินเดือนเดียวซากช้างพวกนั้นก็ทั้งหมดก็จะเหลือแต่โครงกระดูกมันก็ดีไปอย่างสัตว์ประเภทกินเนื้อมันอิ่มมันก็จะได้มาไม่มาวุ่นวายกับพวกเราสภาพเส้นทางเป็นยังไงบ้างอดีตท่านทูตทหารบกพี่ชายใหญ่ของคณะสอบคณะที่มองฝ่าเปลวแดดไปเบื้องหน้าในลักษณะเดินย้อนแสงตะวัน เป็นทุ่งล่งๆไปตลอดจนกว่าจะหมดทิวเขาเทือกนี้พรานครูผู้เจ้าผู้ ช, ชำนาญเส้นทางดีอยู่แล้วบอกต่อจากนั้นก็จะอ้อมขึ้นฝั่งขวามือเมื่อสุดทิวของกำแพงยาวเทือกนี้เริ่มไต่ขึ้นไปทีละเนินละนายไต่สูงเป็นะระยะระยะไปโดยไม่รู้ตัวใบยๆก็จะเรียบอยู่บนเทือกเขาด้านใต้ของหุบหมาหอนและเดินไปตามไหล่นั่นไปเรื่อยๆ หุบหมาหอนชัยยันร้องอย่างแปลกใจฮ่าชื่อที่เราเคยผ่านมาแล้วนี่สมัยที่ออกตามลุงอินกับพรานชดนะ่ะหุบหมาหอนเป็นหุบที่กว้างใหญ่มากนายทหารเดินกันเป็นแรมเดินก็ยังไม่รอบบริเวณตอนที่พวกเจ้านายมาครั้งก่อนนั้นนานอินเชื่อว่าคงจะผ่านเข้าไปทางด้านตะวันออกของหุบ เพราะทางด้านนั้นมันเป็นด้านเดียวที่อยู่ใกล้หมู่บ้านหลมช้างของไอ้ขยินมันคงไม่ได้ผ่านมาทางด้านนี้หรอกคําว่าหุบหมาหอนทําให้ทั้งเชิดถาชัยยลดาริงเงี่ยวหูอย่างสนใจทันทีเพราะผ่านพบกับพยานตรายหน้านาชนิดในหุบนรกแห่งนั้นมายัางไม่มีใครลืมได้ในครั้งก่อนนั้นลุงอินนี่แปลว่าเราจะต้องผ่านเข้าหุบหมาหอนด้วยเหรอเชิดถาถาม พรานครูสันหัวเราไม่พานในใหญ่ถ้าตามเส้นทางเดินนี้เราก็เพียงแต่เฉียดสันเขาลูกหนึ่งที่เป็นอนาบริเวณกั้นหุบหมาหอนตอนหนึ่งไว้เท่านั้นไม่ต้องลงไปในหุบหรอกแล้วแกก็ตะโกนเรียกขยินที่เดินคุมอยู่เบื้องหลังขึ้นมาถามเป็นเชิงสอบภูมิวะ่ะเฮ้ยไอ้ขยินน่เองลองชี้ให้เจ้านายดูซิว่าหลมช้างบ้านเองนะ่ะอยู่ทางด้านไหน โดยไม่ต้องสังเกตอะไรมากเลยพยินชี้มือไปทางทิวเขาสูงเยี่ยมฟ้าลิบลิทางตะวันออกบอกว่าโน่นข้ามเทือกนี่ที่เห็นอยู่จอดขอฟ้าดำๆนั่นไปก็ถึงหล่มช้างรุ่งถามทำไมจะไปบ้านขยินเรอข้าจะไปบ้านเองทำไมให้เสียเวลาแค่ถามดูเท่านั้นสมัยก่อนนายละพินกับพวกเจ้านายไปตามข้ากัานนายชดออกทางด้านหล่มช้างของเอง แต่เส้นทางเดินของนายละพินคราวนี้ออกทางด้านห้วยเสือร้องแม้จะมุ่งเข้านรกดำเหมือนกันแต่ก็ห่างกันหลายโยชนโยชนึงมันยาวเท่าไหร่แล้วลุงข ย, ยินถามหน้าตาเฉยนานอิ่ น, นิ่งนิ่งคิดแล้วยกเท้าทีบโครงเข้าไปในที่บ้านเอวของเจ้าองคุริมาแห่งไพรกว้างกูก็ไม่รู้เหมือนกันอย่าเสือกถาม อนุชาทำสัญญาณกับพรรคพวกให้ทดลองวิทยุประจำกันอีกครั้งโดยเปิดสวิตต์กดคีย์เรียกปรากฏว่ามันยังคงบอดสนิทไม่ได้ผลอยู่ตามเดิมอย่าพยายามให้เสียเวลาดีกว่าตราบใดก็ตามที่เรายังไม่พ้นจากลัศมีของหน้าผาตะเคียนทองนี่เชิท้าบอกทั้งคณะบกบันไปในมังคาวิถีอย่างผู้คุนเคยต่อการเดินดงดีมาก่อนแล้วไม่ถึงกับหักโมเล่งด่วน ใ ห, หให้เหนื่อยเร็วโดยใช่ที่แต่ก็ไม่ช้าตะวันกล้าขึ้นทุกทีหุบผาตะเคียนทองเริ่มจะถูกทิ้งเป็นเงาอยู่ในแสงแดดเหมือนยักษ์หมอบอยู่เบื้องหลังเจ้าด้วนผู้ดูเหมือนจะเข้าใจคำสั่งของดารินดีบัตรนี้เริ่มนำเบี่ยงขึ้นด้านขวาของปลายสุดแห่งทิวนั้น และไต่ขึ้นสู่เนินตรงตามที่นานอินบอกไว้แต่แรกทุกอย่างไม่มีวี่แววของสัตว์ชนิดใดให้เห็นนอกจากนานๆครั้งนกต้อยดีวิต ท, ที่หลบนอนอยู่ตามพงยาจะตกใจบินปรือหนีหายไปอย่างรวดเร็วขณะเมื่อตกใจเสียงฝีเท้ามนุษย์เดินเฉียดใกล้รังนอนของมันวี่แววร่องรอยของคณารพินที่ร่วงหน้าไปก่อนค้นพบได้ทุกระยะแม้ว่าบางตอนอาจขาดหายไปบ้าง แสดงว่าเจ้าด้วนนําเดินท้าปล่อยไปจริงๆเราว่ามันจะรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในการเคลื่อนไหวของคณะที่ผ่านไปก่อนแล้วเพียงแต่มันไม่อาจเอ่ยออกมาเป็นภาษาพูดได้เท่านั้นทุกคนฝีเท้าอยู่ตัวแล้วไม่จะอยู่ในลักษณะเดินรวมกลุ่มกันไปความใจร้อนก็ทําทให้ดารินมักจะเดินอยู่ในแนวที่ล้าหน้าเหมือนจะเป็นการเร่งพักพวกอยู่ตลอดเวลาภูมิประเทศตอนใดไม่น่าไว้วางใจ ตอนจะปลดไรฟ้ลลงมาถือในมือตอนใดดูหน้าจะปลอดภัยดีโดยมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกลปราศจากสิ่งหน้าระแวงก็จะสะพายไหลไว้และเพื่อความไม่ประมาท M16 แบบคอมมานโดชนิดหดฐานให้สั้นลงได้ถูกเชิดถาสั่งให้พวกลูกหาบเอามาสะพายสำรองไว้เผื่อว่าถ้าจะเป็นเท่าจำเป็นก็จะวิ่งไปหยิบฉวยขึ้นมาใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้อง หรือแกะอหอสัมภาระหให้เสียเวลาบัดนี้ทุกคนไม่ระแวงอะไรมากไปกว่าการประจันหน้ากับโขลงช้างผีสิงของเจ้าผีดิบมันไตรยอย่างเดียวเท่านั้นแต่ก็ยังอุ่นใจที่มีเจ้าด้วนอันเปรียบเหมือนเรดาร์หรือสัญญาณเตือนภยัยเดินนำไปเบื้องหน้าเพราะจะยังไรเสียมันก็จะต้องสำเนีย ก, กับภัยที่อาจคอยดักซุ่มเล่นงานนั้นได้ก่อน ทันทีพร้อมทั้งเตือนให้ฝ่ายมนุษย์ทราบทันการเหมือนเช่นที่มันเคยทำมาแล้วร่างใหญ่โตของมันแลคล้ายก้อนหินเคลื่อนที่พผล่โผลโให้เห็นอยู่เป็นระยะสุดภูมิวิเทศประเทศซึ่งจะแพ ล, ล่ลงตลอดไปไกลหรือเลี้ยวหักมุมมีแก่งแง่โคดหินหรือสุมทุมพุ่มไม้บงัง